ท่านพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกว่าที่นักเทศทุกรูปญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลายหลายปีมาแล้วผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพระราชสุดา สยามบรมราชกุมาลีที่ศาลาดุสิตาลายัยพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเทพได้ปารพกับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารณ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดชนะสงครามตอนหนึ่งซึ่งผมก็ได้ยินเพราะนั่งอยู่ใกล้ๆกับเจ้าประคุณสมเด็จสมเด็จพระเทพปรารพว่าคนในวังเขาพูดกันว่าพระที่เข้าไปเทศในวังบางรูป เ, เ, เ, เ, ทเทศไม่เป็นเข้าไปเทศในวังเทศไม่เป็นบางทีถึงกับพูดกันว่าพระสมัยนี้เทศไม่เป็นสมเด็จพระเทพจึงได้จัดโครงการสอน สมณเณรให้เป็นนักเทศอาจจะหมดหวังกับพระฝึกยากเลยให้ฝึกเนนมีโครงการฝึกเนนเป็นนักเทศของเสด็จพระเทพที่จังหวัดน่านสมณเณรเรียนพระประิยะธรรมรแผนกสา ม, มัญศึกษา ตอนเปิดโครงการครั้งแรกปีแรกผมยังได้ไปเป็นวิยากรให้ก็ได้รับรู้เรื่องนั้นสมเด็จวชชนะหันมาพูดกับผมเอ๊ะทำไมพระโาเทศไม่เป็นถ้าสมเด็จถามท่านจะตอบว่ายังไรจะตอบ จะประคุณสมเด็จว่ายังไรทำไมพระเราเทศไม่เป็นสมเด็จท่านก็พูดเองผมไม่ได้พูดะไรผมฟังผู้ใหญ่สมเด็จท่านก็บอกหรือว่าพระสมัยนี้จะถนัดปาทกถาบรรยาย มากกว่าเทศคือพูดธรรมะเนี่ยมันก็พูดได้พูดเป็นแต่ให้เทศเทศไม่เป็นอันนี้คือความเห็นของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาทีราจารย์ผมมานั่งคิดดูก็น่าจะจริง พวกเราหลายรูปที่นี่เนี่ยให้ขึ้นบรรยายธรรมก็บรรยายได้ให้สอนธรรมะก็สอนได้แต่เวลาให้เทศก็ไม่รู้ว่าเทศได้หรือเปล่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเทศเป็นเนี่ยคือเทศอย่างไร ถ้ายังไม่รู้ว่าเทศเป็นเทศอย่างไรเนี่ยเทศไม่ได้หรอกดังนั้นวันนี้เนี่ยที่จะพูดเนี่ยคือทําให้พวกเราสามารถเมื่อพูดจบสามารถตอบได้ว่าเทศเป็นคือเทศอย่างไร ส่วนจะเทศดีหรือไม่ดีมันคนละเรื่องนะเทศได้กับเทศเป็นไม่เหมือนกันเลยเทศได้ใครก็เทศแต่เทศเป็นเหมือนกับนักเทศจริงๆเนี่ยไม่แน่ท่านรู้ว่าเทศทำอย่างไรอย่างนี้เราก็เทศได้ แต่ว่าจะเป็นนักเทศเพราะเทศเป็นมันยากกว่านั้นอาจจะต้องเรียนทั้งภันสาก็อย่างเทศไม่เป็นการรู้ว่าเทศเป็นคือเทศอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อหลักการและวิธีการเทศนาที่จะพูดต่อไปนี้ อย่าฟังอย่างเดียวเตรียมจดด้วยเพราะท่านเป็นนักเรียนสุจจปุลิหัวใจนักปราชสุเจปุลิสุสัมปันโนปันดิตติ ป, ปวุจติผู้ถึงพร้อมด้วยสุ จิปุลิท่านเรียกว่าบัณฑิตสุมาจากสุตะแปลว่าฟังสมัยนี้อ่านด้วยเรียกว่าสุทั้งฟังทั้งอ่านฟังอย่างเดียวไม่พอต้องจิจินตาคิดตามจินตาคิดตามคิด หมายถึงคิดในเรื่องที่กำลังฝังสุตตะหลายคนบอกว่าผมก็คิดที่ท่านพูดอะผมก็คิดแต่ไม่ได้คิดตามไปคิดเรื่องอื่นคิดคนละเรื่องไม่ได้คิดเรื่องเทศหรอกคิดว่าพรุ่งนี้จะไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนใจลอย ที่ว่าจินี่คือคิดในเรื่องที่กำลังฝังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคิดจินตาคือคิดไม่เข้าใจให้ถามปุตฉาสุจปิปุถ้าเข้าใจก็ลิลิคิดคือเขียน บันทึกผมอยู่กับหลวงตาแพรยเยื่อไม้อยู่คณะเป็นลูกคณะท่านที่คณะเก้าท่านเป็นนักเทศนักเทศชั้นนำของประเทศไทยเป็นครูบาอาจารย์ของผมของพระเทพปฏิพาน์ ก, กวีพระราชธรรมวาทีเนี่ย ท่านอ่านหรือฟังเรื่องอะไรเนี่ยจดบันทึกตลอดผมเห็นไดอารี่นะไม่รู้กี่ปีกี่ปีใส่ไว้เต็มในหิ่งหนังสือหนังสือนี่เต็มหมดเต็มห้องยังไม่พอมาอยู่ข้างนอกหน้าห้องแล้วก็มีไดอารี่เล่มใหญ่ๆวางอยู่ผมก็เอ๊ะ ทำไมเอาไดอารี่มาวางไว้บันทึกเรื่องอะไรผมลงเปิดดูมีแต่บันทึกเรื่องที่ท่านอ่านอ่านธรรมะเรื่องอะไรท่านบันทึกด้วยในมือของท่านเขาเรียกว่าลิขิตนั่นแหละลิท่านจะ เอาไปเขียนหนังสือท่านก็ต้องบันทึกไว้ก่อนเอาไปพูดก็บันทึกไว้ก่อนสุจิปุลิสุจิปุลิวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตพเวไม่มีสุจิปุลิจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรโครงโลกอนิตจึงประผันไว้ว่า เว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฝังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้น When, ดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีหัวใจนะักปรารเว้นวิจารณว่างเว้นสดับฝังสดับฟั ง, ฟ ง, ฟงในสุ วิจาร์คือจิคือคิดเว้นที่ถามปุปุจฉาอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตลิเขียนเว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวสี่อย่างสุจิปุลิว่าผู้ปรดาดได้หรือมีท่านจะเป็นนักเทศนักพูดนักประพัน์ต้อง เป็นนักเขียนนักบันทึกดังนั้นสิ่งแรกถ้าจาได้มันก็ดีกว่าจดแต่ถ้าจาไม่หมดจดไว้ดีกว่าจาผมก็เป็นนักจดแต่สมัยนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์ไปละเวลาไม่ค่อยมีก็บันทึกใส่ไว้ในเนี้บางทีไอ้ที่บันทึกนะท่านนะตกน้าทีเดียวหายหมดเลย มันก็ต้องมี external external hard disk เดี๋ยวนี้มีวิธีเซฟหลายอย่างบันทึกนะจดนะนั่งฟังไปอย่าฟังเฉยๆแล้วผมบรรยายท่านเนี่ยไม่เหมือนเทศเมื่อเช้านะเทศเมื่อเช้ามีคำพียอย่างเดียว แต่ตอนนี้สบายกว่าเทศเมื่อเช้าเพราะผมขึ้นจอได้เพราะฉะนั้นการเทศเนี่ยมันจึงปราบเซียนมันไม่มีสื่อช่วยภาพก็ไม่มีเสียงที่จะเปิดช่วยก็ไม่มีมีคำพิยันเดียว จะยกม้ยกมือก็ไม่ได้เทศเมื่อเช้าอ่ะนั่งนิ่งและถ้าไม่มีศิลปะในการเทศนะยหลับทั้งห้องประชุมนะโยมบางคนบอกเตรียมมาหลับแลยละ่ะแต่ฟังไปฟังไปไม่กล้าหลับเสียงมันกัดหู ตัดหูยังไงไปเปิดฟังเองมันเป็นลีลามันเป็นเทคนิคคนหลับไม่หลงท่านการพูดอย่างอื่นที่ไม่ใช่เทศสามารถใช้ powerpoint ประกอบ และประหยัดเวลาในการพูดอย่างมากเพราะว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำอธิบายเป็นวักเป็นเวนยืดยาวไม่เข้าใจล่ะเอาภาพแสดงภาพเดียวประหยัดเวลาตั้งหนึ่งพันคำไม่ต้องพูดเลย ฉะนั้นท่านที่สอนหนังสือเนี่ยต้องเตรียมการสอนเป็นภาพเป็นอะไรไปด้วยแม้จะไม่มีภาพเรื่องราวอย่างน้อยมีตัวหนังสือให้ให้อ่านบนจอเนี่ยท่านจำแม่นผมถามท่านว่าเมื่อกี้จำโครงผมได้หรือเปล่าเว้นวิจารเว้นวิจารว่างเวน้นจำไม่ได้หรอกถ้าใครเพิ่งฟังครั้งแรกแต่ถ้าผมขึ้นจอเนี่ยท่านจาได้ มันเห็นตาดูหูฟังอย่างน้อยประสาสัมผัสสองเข้าทางบางคนเนี่ยเป็นรูปรับประมาณิกาเห็นจำแม่นอ่านจำแม่นบางคน เ, เป็นโคสับประมาณิกาอ่ า, อานไม่ค่อยจำ ต้องท่องท่องแล้วออกเสียงดังๆด้วยนะภาษศิต์อะไรก็ตามอยากจำเนี่ยพูดให้มันเข้าหูตัวเองอย่างเดนท่องไวยกรบาลีเนี่ยสิโยอังโยนาหิสานังเนี่ยมันเข้าหูบางรูปสวดมนต์ได้เพราะฟังเพื่อนลงทาวัดบ่อยๆมันเข้าหูท่าน พวกนี้จาแม่นบางคนอ่านหนังสือไม่ออกจบแค่ปอสองแต่ร้องเพลงเป็นพันเพลงเป็นลายชินีลุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อ่านหนังสือไม่ออกและจําเนื้อเพลงได้หมด มันแล้วแต่คนเราก็คิดว่าแบบนั้นหายากจึงกำหนดว่าพวกท่านจะมาเทศน์เนี่ยต้องอ่านหนังสือออกจมนักธรรมเอกเป็นประเรนเพราะท่านจะต้องไปค้นต่อภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำถ้าวันนี้ผมขึ้นจอ ไม่ใช่เพราะมีภาพเรื่องราวตัวหนังสือก็เอาขึ้นสำหรับพวกเป็นรูป ป, ปรัมาณิกาเห็นแล้วจดไว้จดแล้วมันจำแต่บางคนฟังเฉยเฉยไม่ต้องจดหูบันทึกก็แล้วแต่ท่านอย่าหลับก็แล้วกันทำไมเราจึงจะเป็นนักพูดนักเทศ ท่านต้องเตรียมพร้อมหลักง่ายๆแต่ทำยากสำหรับนักพูดนักเทศนักสอนอย่าพูดอย่าเทศโดยไม่มีการเตรียมพร้อมถ้าเขานิมนต์ให้ท่านไปเทศยังไม่รู้ว่าเทศยังไงนี่กำลังทำอั ต, ตะวินิบาตกรรมฆ่าตัวตาย ขืนขึ้นธรร ม, มาต์ไปครั้งเดียวก็ตกธรร ม, มาต์มรณภาพเขาไม่ในมนอีกอย่าทาฝึกฝนรู้ว่าจะเทศยังไงอย่างที่มาเรียนวัดไปอยู่นี่ก็คือการเตรียมพร้อมที่จะไปเทศจริงขึ้นธรร ม, มาต์ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกถึงตกธรร ม, มาต์ก็ไม่เสียชื่อเพราะ เพื่อนๆที่ตกธรรมะมีเยอะที่ไม่ได้เรื่องเหมือนเราก็มีเยอะก็ะมาฝึกกันแต่ในสนามจริงอะตกธรรมะเล็กๆดีกว่าเริ่มจากสาลาวัดเราคนไม่กี่คนค่อยต่บันไดดาดลาประสบความสำเร็จเวทีนี้ค่อยบินสูงขึ้นสูงขึ้น อย่าไปรีบดีหรือรีบทำการใหญ่อย่าใจร้อนบางคนอยากจะเป็นนักเทศดังชั่วข้ามคืนไม่มีหรอกท่านพวกพรสวรรค์นะ่ะอาจจะมีนะและก็ไม่รู้ว่าใช่ตัวเราเองหรือเปล่า เราเป็นพวกพรแสวงคือต้องสะอแสวงต้องฝึกฝนต้องฟันฝ่าจึงมากันที่นี่เพื่อมาเตรียมความพร้อมก่อนเทศจริงเตรียมอะไรบ้างจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะเทศนาวาทการต้องเตรียมตัว เราต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมตัวอะไรบ้างหนึ่งเตรียมเรื่องที่จะพูดจะพูดเรื่องอะไรพูดในเรื่องที่เรารู้เราเข้าใจเรามีความรู้หลักง่ายๆมันมีเรื่องแม้แต่หัวข้อเรื่องเขาตั้งมาเนี่ยนะ หัวข้อเรื่องเขาตั้งมาเนี่ยบางทีมุนตึ๊บเลยตีความไม่ออกเหมือนแต่งกระทูอะ่ะแต่งกระทู้เขาเอาบาลีนี้มาตั้งให้เราเราจะหากระทูรับอะไรละ่ะนึกไม่ออกเลยที่มันตรงกันไม่จําเป็นต้องตรงกระทูรับอะ่ะแต่หาทางพูดโยงไปถึงเรื่องที่เรารู้ดีที่เราเตรียมมา ให้ได้ก็แล้วกันเขาพูดเรื่องนิพพานแต่เราเตรียมบาลีเรื่องกรรมไปรับพูดขืนพูดเรื่องนิพพานต่อไปเราแย่แน่เนี่หาทางลงเรื่องกรรมให้ได้ไอ้ที่เราเตรียมท่องมานีส่สวมเลยท่าน เราเตรียมนิทานอยู่เป็นอยู่เรื่องสองเรื่องเขาตั้งหัวข้อนี้มันจะไปไม่รอดหาทางเทศให้เข้านิทานเราให้ได้เทคนิคของมือใหม่หัดขับสมัยก่อนเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเวลาจะไปไหนนั่งรถเมล็ดท่านแล้วถ้าหลงเขาบอกว่าไปไหนตั้งต้น สนามหลวงไปตั้งต้นสนามหลวงแล้วค่อยไปใหม่แบบเดียวกันนะท่านตั้งหัวข้อนี้เทศไปเทศมาไปสนามหลวงที่เราถนัดดีกว่าแล้วก็ออกไปสายไหนก็ไม่รู้แหละอย่างน้อยประคองตัวครบสิบสองยกไม่โดนน็อกท่านรับกันเทศสบายสบาย การเตรียมเรื่องถ้านจะต้องมีเรื่องสำรองมีนิทานมีพาษิทมีอะไรก็ตามเตรียมมาไว้เหมือนพระองค์หนึ่งมีนิทานอยู่เรื่องเดียวนกแสงแซวเทศงานศพไหนก็ตามต้องมีแสงแซวจนคนขับรถรู้แล้วท่านกสองแสงแซวออกมาเลยสตาร์ทรถเตรียมได้เลย เราอย่าไปว่าท่านนะอย่างน้อยท่านเอาตัวรอดมีจุดเชื่อมของท่านมีสนามหลวงฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องเตรียมเรื่องศึกษาเรื่องราวที่จะเทศถ้านึกอะไรไม่ออกมากพยายามเชื่อมกับที่เรารู้แล้วอย่าเทศเรื่องที่ท่านไม่รู้เป็นเด็ดขาด แม้แต่เขาตั้งหัวข้อให้ท่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรต่างๆเอาเราจะเทศอย่างไงเราไม่รู้เรื่องก็โยงไปอธิบายไปในสิ่งที่เรารู้สิเราไม่รู้ระดับโลกุตระแต่สามารถพูดระดับโลกียะในเรื่องเดียวกันได้ก็เอาใครจะว่าอะไรขอขอแต่ให้ท่านพูดให้มันได้ก็แล้วกันเขาเรียกว่าเทศได้เตรียมเรื่องมาจากความรู้ มีความรู้ก่อนเ ต, ตรียมตัวอันนี้แหละเรื่องอยู่ในหัวสมองตัวอยู่ที่การแสดงออกถ้าท่านไม่เตรียมตัวบางทีนะเขาก็ไม่นิมนต์ท่านอีกเลย การเทศอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องห่มดองเห็นไหมพลาดสังคติไม่รู้ว่ามีงานอะไรเดินสังคติก็ไม่เอาไปนึกว่าไปพูดธรรมดาปรากฏ ต, ต้องขึ้นธรรมาะแล้วไปไม่มีสังคติเนี่ยไม่เคารพธรรมะไม่เคารพผู้ฟังไม่เคารพสถานที่เห็นไหมบางแห่งไม่มีคำเภียเทศไปที่บ้าน เราไปคาดหวังว่าเขาจะมีคำภีใบลานมาคำภีอะไรให้ไม่ได้เอาอไปอีกไม่เช็คไม่ตรวจสอบพอไปถึงอา้าวขึ้นไปปน ม, มือเฉยๆก็ไม่ใช่เทศอีกนอกจากนี้การเตรียมตัวยังหมายถึงการแสดงออก ท่านจะขึ้นธรร ม, มาเนี่ยขึ้นตอนไหนอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างล่างเลขาที่รองเลขาที่การปรปรชไปจุดทูปเทียนบูชาพระตนตไตรผมก็ยังไม่ขึ้นผมก็นั่งอยู่งนะั้นท่านรองประลัดกระทรวงปลัดกรุงเทพมหานคร ไปเปิดกลวยถวายบรมราชสการะผมก็ยังไม่ขึ้นต่อเมื่อคุณถาปณะนะคุณประพัชยาสิริวัฒนพัก ด, ดีจุดเทียนส่องธรรมผมจึงขึ้นธรรมะไม่ต้องประกาศนิมนต์ไปบางวัด พอจุดเทียนทูบเทียนบูชาพระไตรโคศกนิมนต์เราขึ้นผมไม่ขึ้นไม่ต้องนิมนต์ไม่เหมือนปาจกถ า, าไม่เหมือนบรรยายนทำต้องแนะนําประวัติอย่างเมื่อกี้ต้องแนะนําแต่เทศไม่ต้องจุดเทียนส่องทำเมื่อไรต้องขึ้น ถ้ามาพูดมานิมนต์บอกไม่ต้องนิมนต์คุณไปจุดเทียนสองธรรมหาเจ้าภาพจุดเทียนสองธรรมเขาจะตั้งอยู่หน้าธรรมาะจุดแล้วผมขึ้นเห็นไหมขึ้นไปแล้วแค่ขึ้นบันไดธรรมา ส, สูงๆนี่ขึ้นเป็นหรือเปล่าบางคนก็บอกเอามีเท้าก็ขึ้นไปสิเดินขึ้นไป เดินขึ้นไปยืนบนธรรมาติหัวโดก็มีท่านธรรมาติว่าสูงและองค์นี้สูงยง่งโกะพอจะนั่งลงเตกะกระโถนตกลงไปตรงน้ดอีกเรื่องจริงท่านพระธรรมโโรดมจดเอาไว้เลยประโยคเก้าวัดนี้ไปเทศงานนั้นเตกะกระโถนตกเจ้าวานสมเด็จเป็นสมเด็จด้วยวัดนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นน่ ทำผิดสิบเก้าอย่างท่านเอกมาพูดที่นี่ตอนอบรมพระนักเทศใหม่ๆรุ่นแรกๆเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยแค่นี้ก็เทศไม่เป็นแ่ะยังไม่ทันพูดสักคำหนึ่งสอบตกแหละแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องทำอะไรบ้างวิชาจัญญานักเทศครับ เขาจะบอกท่านไม่ใช่หัวข้อวันนี้วันนี้นี่เขาเรียกว่ารายยาวแนะนำเรื่องหลักๆ ห, ห, หลักการนะท่านส่วนแนวปฏิบัติเนี่ยมันจะมีแต่ละวิชามาสอนท่านเตรียมตัวเตรียมใจ สำหรับมือใหม่หัดขับเอารถฝึกขับอยู่ในบ้านเนี่ยมันได้แต่พอออกถนนใหญ่แข่งขามันสั่นเทศตามศาลาวัดเราเทศได้แต่พอไปขึ้นเวทีใหญ่เข่าอ่อนเทศให้เพื่อนๆนฟังเทศได้แต่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ เทศไม่ออกมาจากอะไรครับใจครับต่อให้ท่านมีเรื่องจะเทศมีความรู้แต่ไปเจอกับเวทีที่มันอึดอัดความรู้มันไม่มาไม่รู้มันหายไปไหน นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมันก็ไม่มาตอนผมไปเทศถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าวันที่สิบสองสิงหาคมปีหนึ่งงานเฉลิมพระชนภา ร, รษาสาเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท, ที่วางไกลกังวลพอเทศลงมาขรรายการชั้นผู้ใหญ่ มาแกซิบผมลุ้นท่านเหลือเกินลุ้นผมนีนะโย ม, มาบอกลุ้นเหลือเกินทําไมอ่ะกลัวท่านจะพุ่งหลาวลงทะเลไปก่อนพระสังฆราชเส็จพระญชนะสังวรก็อยู่ตรงนั้นเป็นประธานสดมนพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาหมดเลยมันกดดัน กลัวท่านจะเป๋ตกธรร ม, มาติพุ่งลงทะเลหัวหินไปถึงกันนั้นเฉยเหรอใช่เพราะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเกิดเรื่องแค่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเสด็จมาหัวหินนายพลคนหนึ่งเป็นพลโทต้องรับเสด็จแล้วต้องรายงานตัวขอเดชะ ถ้าพระพูดเสอเจ้าพนโทรชื่อบอกชื่อตัวเองนั่นนี่ราชองครักเวนพูดแค่นี้แหละว่เาเป็นราชองครักเวนว่าใครเข้าเวนรอรับเสด็จต้องแนะนำแต่ความที่ประมาความที่ประมาพนในพนคนนั้นกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพลโทแล้วก็บอกชื่อราชโอรสเวนในหลวงยิ้มเลยเนะฉันมีลูกอีกคนเลยนเนี่ยแค่องคเดียวท่านลือกันทั้งหวังเลยเนี่ยตอนนี้มีราชโอรสองค์ที่สองแล้วนี่ท่านนี่ถูกบีบยังกับอะไร กลัวจะไม่รอดขนาดเป็นนักเทศ น, น์นะท่านนะใจอย่างน้อยท่านต้องตั้งครูทุกคนต้องตั้งครูนะทำไมเขาให้ตั้งนโมก่อนอน่ะนโมนี่นะถ้าตั้งนโมดีนะ มันจะเกิดความอาถรรพ์เทศได้ดีถ้าเป๋ตั้งแต่ตั้งนโมนี่น่าเป็นห่วงแค่ตั้งนโมก็รู้ว่าเทศเป็นหรือไม่เป็นบางรูปออกวิทยุออกทีวีตั้งนโมเป๋เลยไม่ถูกเป็นนโมให้ศีลไม่ใช่นโมเทศ นโมให้สศีลเรียกว่านโมสามชั้นนโมเทศเรียกว่านโมห้าชั้นตั้งนโมผิดก็เปล๋ล่ะผมได้รับนิมนต์ไปเทศงานสมเด็จญาที่พระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาสในหลวงเสด็จเจ้าหน้าที่ที่มานิมนต์ บอกว่าขอให้เทศดังๆนะเจ้านายคือหมายถึงในหลวงนะอยากฟังเทศก็เลยถามว่านั้นสักยี่สิปีมาแล้วเขาไม่มีไมโครโฟนหรือไงทำไมต้องตะโกนล่ะไม่มีท่านแล้วทำไมต้องเทศดังๆฮะน่ะท่านจะรู้ เพราะว่าพระนักเทศเ่นนะเทศเวทีไหนก็ได้เสียงดังฟังชัดแต่พอขึ้นธรรมาทไปเทศให้ในหลวงฟังเสียงเหบกระทันหันผมเล่งจนสุดวอลลุ่มยังไม่ดังเลยเทศดังๆนะท่านนะเอาได้ได้ได้ก็ไปเทศแล้วให้เขาบันทึกเทปให้ พอลงจากธรร ม, มานถามว่าเป็นไงใช่ได้ไหมอู้ใช่ได้เสียงดังฟังชัดพอกลับมาวัดเปิดเทปให้พระฟังพระบอกว่าอาจารย์ทำไมตั้งนโมแล้วลูกคอเยอะจังยังก็มนสิทเราฟังเลยเฮ้ย ไม่ใช่ลุกคอเสียงบันสันประมาณแต่มันสันตอนครึ่งนะครึง่งนโมห้าชั้นมาได้สักชั้นสองชั้นหายสันแ้ไหวครูพอจบนโมนี่เสียงปกติตั้งหลักได้ใจนิ่งเทศเป็น บางคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมเรื่องเตรียมใจโดยเพราะเตรียมใจนี้ต้องมีคาถาและก็ต้องฝึกกรรมฐานอย่างที่เราฝึกท่านก่อนจะเริ่มรายการทุกครั้งให้นิ่งให้สมาธิ สมาธิปแปล ว, ว่าปักใจมั่นนิ่งสงบถ้าสั่นต้องมีวิธีคิดให้หายสัน่นซึ่งก็ไม่ใช่วิชานี้อีกเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็จะมาสอนท่านเตรียมเรื่องเรารู้หลายเรื่องเมื่อกี้ผมพูดข้อแรกอันอันหนึ่งก็คือว่าโยงมาหาเรื่องที่เรารู้สำหรับ เหมือนตั้งต้นสนามหลวงแต่ไอเรื่องที่เรารู้เนี่ยเขาอาจจะไม่อยากฟังเขาตั้งหัวข้ออย่างนี้ไปไหนมาสามวาสองศอกเราเทศได้แต่ว่ามันคนละเรื่องบางรูปเป็นนักเทศใหม่ไม่ว่าธรรมะจะเลือกอะไรกันเล่ามรนิทานเรื่องเดิมคนเหมือนก็เบื่อเพราะมันไม่รับกับธรรมะนั้น ฉะนั้นในการเตรียมเรื่องเนี่ยท่านจะต้องมีความหลากหลายเมื่อเตรียมอย่างหลากหลายอย่าเทศทุกเรื่องที่ท่านรู้อย่าเล่านิทานสะห้าเรื่องเล่าเรื่องสองเรื่องที่มันตรงกับหัวข้อธรรมะก็พอไม่เทศทุกเรื่องที่เรารู้เทศเรื่องที่เขาควรรู้และอยากรู้ เขาอยากรู้เขาจึงตั้งหัวข้อนี้มาแต่เรามือใหม่เราก็เลยเทศไปตามเรื่องที่เราอยากเราเตรียมแต่ไม่ถือว่าก็ถือว่าไม่ตกธรรมะตายแต่ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จคือพูดในเรื่องไรเรื่องที่เขาอยากรู้และควรรู้พวกท่านน่ยมาเรียนอบรมนักเทศเพราะอยากรู้เรื่องอะไร บางเรื่องท่านไม่รู้หรอกว่าต้องรู้แต่มันควรจะรู้ควรจะการจะเป็นนักเทศมันจะต้องรู้เราก็ใส่ให้ด้วยท่านต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะบางคนเนี่ยรู้มากมาอบรมวัดไปะยนเสร็จแล้วร้อนวิชาท่านไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างเทศอัดโยมบนสาาวัดของตัวเองตาลายไปหลายคนเลยโยมฟังมึนเ แล้วเราก็บอกว่าโออุสาเทศเตรียมการมาอย่างดีไม่รู้จักฟังของดีนี่ระดับฟังมาจากพระพรหมบฑิตนะฟังฟังพอฟังไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องก็หาว่าของโง่ของดีๆไม่รู้จักฟังใครที่ว่าคนฟังโง่ตามเราผู้เทศไม่ทัน แสดงว่าเทศไม่เป็นท่านยิ่งไปบอกว่าเทศให้โยมพวกนี้ชาวบ้านพวกนี้โง่ทั้งนั้นเหมือนสีซอให้ควายฟัง <c oughs> เทศไม่เป็นครับใครพูดอย่างนี้เพราะถ้าเทศเป็นควายต้องฟังมีนักสีสอคนหนึ่งนั่งซ้อมสีซส อ, อยู่ที่ริมคันนา ไม่มีใครฟังครับมีควายเล็มหญ้าอยู่ตัวหนึ่งใกล้ๆและแกก็คิดในใจว่าเอจริงหรือเปล่าว่าสีซอแล้วควายไม่ฟังเราก็ศิลปินแห่งชาตินะมันต้องฟังสิแกก็เลย ลองสีครับสีเพลงเขมไล่ควายมันก็ไม่ยอมไปขเย็บขเย็บเข้ามาสิมันก็ไม่มาจะเสียชื่อหรือมั้งเอาใหม่ลองสีเป็นเพลงมันไม่ฟังเอาใหม่เป็นอะไรเสียงยุงร้องิงิงๆิงงงงงงิมันกระดิกหูแล้วท่านไล่ยุง มันปรับคลื่นแล้วสีเป็นเสียงสุนัข ก, กัดกันงงเงงงงเง ง, ง, ง, งมันเบิ่งมองเลยครับกลัวลูกหลงตอนหลังสีเป็นเสียงลูกแง่ร้องลูกควายร้องมันหยุดกินหญ้าเลยมันเดินมาเบิ่งเลยเหมือนในรูปเล ย, เลยนึกว่าใครเอาลูกมันมาซ่อนไว้แถวนั้นเห็นไหมครับสีให้เป็นเถควายฝั่ง ถ้ายังไม่ฟังต้องมาเข้าหลักสูตรนี้เพราะหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรสีสอให้ควายฟังภาษิตอุทานธรรมบอกว่าถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขาว่าโง่เง่างมเงอะเซะนักหนา ตัวของเราทำไมไม่โกรธาว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจต้องโกรธตัวเองสิถ้าเขาไม่ฟังเราเรายังพูดไม่ถึงขั้นและต้องไปฝึกกันใหม่ สำหรับท่านที่จะจดทีนี้มาฝึกที่วัดประยูนเราได้พูดประวัติศาสตร์ไว้บางท่านตั้งแต่ครั้งที่แล้วจาไม่ได้ขึ้นจอให้จดอยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากเป็นนักปราชให้อยู่วัดสามพญา อยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบนจมะบ่อพิษในสี่วัดสมัยโบราณสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยอยากเป็นนักเทศมาอยู่วัดประยูนยไม่ผิดหวังอยากเป็นเจ้าคุณประยุทธ์มหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์เพราะที่นั่นเป็นที่ประทับของพระสังฆราชจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่ ยังมีเจ้าขุนเยอะอยากเป็นนักปราให้อยู่วัดสามพยาก็เช่นเดียวกันอยากเป็นมหาให้อยู่วัดเบจมะบ่อพิษโบราณว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไปอยู่วัดมหาธาตุก็ไม่ค่อยไม่ใช่ว่าจะได้เป็นนะท่านไปอยู่วัดไหนล่ะทีนวัดปากน้ําก็ชัเมเน่เปลี่ยนไปเรื่อย วัดสามพยาไปอยู่เป็นนักปราดไปอยู่วัดสามพยาโอ้ไปเรียนบรุรีเป็นปรเรียนนะดีเหมือนกันเป็นมหาไปโอเป็นนักพูดนักเขียนก็ยังไม่ใช่นะวัดสามพยาเป็นมหาปรเรียนไปอยู่วัดเบญจมรบ่อพิษก็ไม่ใช่สมัยนี้ไปวัดมูลีดีกว่า แต่ถ้าอยากวัดฤดนนี่เปลี่ยนไปหมดเนละเหลืออยู่วัดประยูนมาวัดประยูนมาฝึกเทศเป็นอย่างนี้ดินมันดีท่านใครเดินเข้าวัดนี่กระเทศได้แล้วออกนอกวัดเทศไม่ออกต้องมาบ่อยๆปลุกเซกัน หลักการเทศนาโดยสรุปท่านเป็นนักเทศต้องงามคือไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางและไพราะในที่สุดตัดสินกันสามอย่างเทศอย่างไรให้งามงามในที่นี้คือไพราะนะครับตอนต้นตอนกลาง และก็ตอนจบทำอย่างไรครับจึงจะภัยราะในเบื้องต้นในท่ำกลางและก็ในที่สุดการเทศมีสองแบบเอาหลักการก่อนนะครับท่านจะเทศแบบธรรมอาทิฐานธรรมะล้วนหรือบุคลาทิิฐานมีตัวอย่างประกอบ ถ้าเป็นธรรมะล้วนๆเป็นแนวอภิธรรมอภิธรรมปิฎกถ้ามีตัวอย่างประกอบเป็นแนวพระสุดตันตปิฎกเราเทศให้ชาวบ้านฟังต้องเป็นพระสุดตันตปิฎกเป็นบุคลาธิฐานมีตัวอย่างประกอบและเมื่อเทศ ให้ได้สี่สองท่านจะเทศดีตัดสินว่าเทศดีไอเทศได้ไเทศเป็นระดับหนึ่งแล้วก็เทศดีระดับสูงสุดบางคนเทศได้คือได้เทศเทศเป็นคือมีความถูกต้องตามขั้นตอนของการเทศ แต่ยังเทศไม่ดีการจะเทศดีตัดสินกันสี่สอครับวัดประยูนตัดสินพวกท่านเนี่ยโดยสี่สอว่าใครจะเทศได้ท็อปเราเองแม้กระทั่งตัดสินสมณีธรรมะทองใครจะได้ธรรมะทองเนี่ยใช้หลักสี่ส่อหนึ่ง เทศได้แจ่มแจ้งสันทัศนาสองสม า, าธิปานาเทศได้จูงใจสมุเตชนาเทศได้แกล้วกล้าสัมปหังสนาร่าเริงแจ่มแจ้งจูงใจแกล้าร่าเริงให้มันมีสี่อย่างเอามาจากการเทศของพระพุทธเจ้า เวลาพระพุทธเจ้าเทศจบเลยนะครับคนฟังเขาจะบอกว่าอาภิกันตังโพโคตมะอภิกันตังโพโคตมะจมแจ้งนักพระโพดมผู้เจริญแจมแจ้งนักพระโครดมผู้เจริญที่ท่านเทศเนี่ยเหมือนกับจุดประทีป ส่องทางในที่มืดหายของที่ควา่าบอกทางแก่คนหลงทางเคยมีใครชมท่านอย่างนี้ไหมครับโอ้ยชัดเจนเคลียร์เหลือเกินส่วนมากจะบอกว่าเกือบจะเข้าใจแล้วมึดเลยี้ไม่รู้ว่าไปไหนไม่เข้าประเด็นสักที ในสมัยรัชากาลที่หกในสมัยรัชากาลที่หกมีพระนักเทศระดับประเทศพระอุบาลีคุณูปมาจาันยร์จันทริจันโท ว, วัดบรมนิวาตเทศระดับประเทศดีมากมีพระน้องชาย เป็นเจ้าคุณชั้นเทพบวชอยู่วัดมณีชละขันลบบุรีไปเทศที่ไหนไม่มีคนฟังโยมก็เลยไปเตือนท่านเจ้าคุณเป็นพี่น้องกันทำไมมันต่างกันลือเกินพระพี่ชายในเทศโด่งดังไปไหนมีคนตามฟัง เอาอาหารไปถวายกันเทศเพียบแต่ท่านเจ้าคุณนี่ไปเทศที่ไหนเงียบไม่มีคนตามฟังไม่มีแฟนคลับถ้าไมไม่เป็นอย่างนั้นท่านเจ้าคุณเทพน้องชายก็ย้อนอย่ามาพูดคุณไม่รู้อะไรพระพี่ชายผมเวลาไปเทศที่ไหนมันเทศไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งคนไม่หายสงสัย คนมาก็เลยตามไปฟังแต่อาตมาเทศเทไลมันชัดเจนแจ่มแจ้งคนเลยไม่ตามแต่จริงๆก็คือมันไม่ชัดเจนอย่างมากก็ได้แค่นี้แหละฟังไม่รู้เรื่องครั้งเดียวพอแจ่มแจ้งสันทัศนาเหมือนเห็นด้วยตาถามว่าเทศอย่างไร คนฟังจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาเพราะเขาไม่ท่านให้ให้ให้ท่านเอาขึ้นจอจะแสดงยังไงสมาธปนาจูงใจให้เกิดศรัทธานี่แหละครับที่การเทศต่างจากปาธกถาปาธกถาเนี่ยให้เหตุให้ผลให้ความรู้เป็นเลคเชอร์ แต่คนอาจจะไม่เชื่อก็ได้เถียงก็ได้ชี้หน้าด่าวิทยากรก็ได้แต่ขึ้นธรรมะเทศประนมมืออย่างเดียวท่านต้องมีความสามารถจูงใจให้เกิดศรัทธาถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยนะเขาไม่เข้ามาหรอก มาปนมมือให้เมื่อยมานั่งให้เมื่อยหลับดีกว่าท่านจึงจะต้องแสดงออกด้วยการทำให้คนเขาเรียกว่าติดเตตะตเนี่ยนะการแสดงอะไรก็ถามประทับใจ first impression ประทับใจตั้งแต่แรกพบการห่มผ้าเรียบร้อยขึ้นทามาศกราบพระไหวจาอาวาสตั้งนโมอะไรต่าง มันจูงใจให้ติดตามยิ่งในเนื้อเรื่องดีด้วยเท์ดีด้วยคนเชื่อคนศรัทธาแล้วทำอย่างไรจะให้คนศรัทธาระวางพูดเองกับอ้างของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยฉะนั้นในการเทศจึงต้องอ้างบาลีเป็นนิเขมาบทไงไอ้ที่เทศมานี่ไม่ใช่ความคิดอัตมานะเอามาจากพระพุทธเจ้า อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตอนนี่พระบาลีนะอ้างที่มาที่ไปเวลาป้าจักรถาส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติท่านคือความคิดผู้พูดแต่เวลาเทศเราพูดมีความคิดอย่างไรต้องอ้างพระบาลีมารองรับเหมือนแต่งกระทูไอ้ที่เทศมานี่ไม่ใช่เอาเองว่าเอาเองนะ และไม่ใช่จับใส่ปากพุทธเจ้านะเห็นไหมท่านมันจึงยากให้คนศรัทธาท่านต้องหาบาลีมามารับมาสมอ้างจงใจข้อสามท่านสมุตเตชนาแก้วกล้าแก้วกล้าในที่นี้ก็หมายความว่าบางคนเนี่ยเทศดีแต่ไอแต่โยมเถียงไอ้ที่ท่านเทศมีเนี่ยทเทศม้านั่นผมรู้ทั้งหมด แต่มันอดไม่ได้ทำไมอดไม่ได้มันยากท่านอยู่บนธรรมารเป็นพระท่านกเทศได้ที่ลองมานุ่มกางเกงเนี่ยทาได้หรือเปล่าโอ้มันเถียงอีกนะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวอย่างคนแยกวายโยมเขายังทำเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่นานิทานเล่าสาธกอะไรมาทำได้ โอ้ยไอ้ที่ท่านพระพรหมมันเด่นพูดว่าเป็นนักเทศเนี่มันยากเทศไม่ได้หรอกโอ้ยเนรวัตประยุนยังเป็นนักเทศได้เลยพระองค์นั้นองค์นี้ตอนมาอยู่นี่นะพูดไม่เป็นสักประโยคไมาอยู่วัดเราเทศได้อย่างเลขาวัดท่านเล่ามานี่ไม่เคยพูดเลยมาอยู่ตั้งแต่ก่อนวัดประยูนลราไม่พูดไม่เป็นเลยมาเป็นเมื่อมาเทศเ อ, อไม่เป็นนักเทศมาอยู่วัดประยูนท่านก็นเล่าครั้งที่แล้วอ่ะแล้วก็จริง เทพเสมอไรแลวแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เผลอไม่ได้นะเทศสวดปาทากาถาได้ทุกอย่างเราจะนิมนต์ประชุมหากันไม่เคยเจอต่างคนต่างเทศทันสำปะหังสนาร่าเริงคำว่าร่าเริงบันเทิงไม่ใช่ ตลกคาเฟ่สนุกเกินไปมันไม่ไม่ทำให้เกิดศรัทธาไม่เกิดการจูงใจให้อยากปฏิบัติแต่ฟังธรรมะแล้วเกิดธรรมะปีติปีติในธรรมเกิดธรรมรถมันซึ่งฟังแล้วสบายใจมีความสุขนี่เขาเรียกว่าร่าเริงเหมือน นักพรามชื่อนักกุละบิดาเดินผ่านหน้ากุฏิภาษาริบุตรหลานประคองมาภาษาริบุตรถามหายไปไหนมาเนี่ยไม่เคยเจอเลยไม่ไหวพระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ป่วยกระเสาะกระแสะกว่าจะมาวัดได้ต้องรอให้ดีขึ้นนี่ต้องให้หลานพามาอาแล้วจะไปไหนเดี๋ยวจะไปฟังไปเข้าเฝ้าพระเจ้าฟังพระเจ้าเทศหน่อยหายไปสักพักเดินกลับมาทีนี้หลานไม่ต้องประคองเลยเดินตัวปลิวเลย ภาษาลิบทถามไปได้ของดีอะไรมาฟังผู้ทธเจ้าเทศแล้วมันชื่นใจท่านมีแรงแล้วผู้ที่เจ้าเทศว่ายังไงผู้ทธเจ้าเทศว่าเทศยาวนะแต่ที่จําได้มีแค่นี้หรอท่านอะไรอะกุละบีดาแม้ร่างกายของเธอจะป่วยกระสอบกระแสะแต่ใจของเธออย่าได้กระสับกระสายเลย ฟังแล้วได้ประเด็นเลยป่วยก็ช่างแต่ใจเราต้องสดชื่นมีกำลังใจเดินได้เลยทีนี้นี่คือล่าเริงนี่คือธรรมะบันเทิงเทศให้ได้สี่สอนนะท่านแจ่มแจ้งจุงใจแกล้วกล้าล่าเริงเราตัดสินกันตรงนี้ แล้วท่านก็ประเมินตัวเองสิที่เทศมานี่ใครได้สี่สอให้ A 3สามอให้บ2สองได้ C สอเดียวให้ดีไม่ได้สักสอเลยไปทำอาชีพอื่นดีกว่าอย่ามาฝึกเทศเลยท่านสงสารคนฝังมันจะเป็นอนันตริยกรรมต่อการเทศนะท่าน คนจะเบื่อนะไปทำอย่างอื่นการจะเทศให้งามในเบื้องต้นแจมแจ้งจูงใจแก้วก้าละเลงเนี่ยนะครับงามในเบื้องต้นไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นด้วยอุเทศไพเราะในท่ามกลางด้วยนิเทศไพเราะในตอนจบ ด้วยปฏินิเทศในที่สุดเรามาดูกันนะครับว่าอุเทศให้ภัยราะทําอย่างไรนี่เข้าวิธีการละอุเทศนิเทศให้ภัยราะทําอย่างไรในทถ้ำกลางและจบปฏินิเทศให้ภัยราะทําอย่างไรสามขั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่เล่ามาก่อนนี้เป็นหลักการสี่ซอเป็นหลักการแล้วหลักการนี้ต้องอยู่ในอุเทศนิเทศปฏินิเทศ ด้วยวิธีการที่จะเทศต่อไปนี้อุเทศแปลว่ายกหัวข้อขึ้นแสดงคําแปลนะครับงามไพเราะในเบื้องต้นนิเทศงามใน่าำกลางไพเราะในท่ำกลางอธิบายขยายความและปฏินิเทศปริโยนโยสานกัลยาณนังสรุปจบประทับใจงาม หรือไพโรในตอนจบว่าแต่ละเรื่องไปอุเทศตอนนี้เข้าวิธีการละอุเทศเนี่ยหัวข้อเนี่ยนะครับเราเราประเมินคืออุเทศมันเป็นหัวข้อคือบาลีอุเทศนะแต่เราจะดูตั้งแต่ตั้งนโมตั้งนโมห้าชั้นเป็นไหม ภาษิตบาลีนิเขปบทเตรียมเอาไว้หรือเปล่าและอารลำพักาถาท่องมาหรือไม่สามเรื่องนะครับข้อแรกนโมนโมเราวัดชั้นกันโดยหยุดหายใจยาวการให้เทการให้ศีลใช้นโมสามชั้นคือหยุดสามครั้ง ณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะหยุดหนึ่งครั้งละหนึ่งชั้นณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสองชั้นณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามชั้นนี่คือณโมให้ศีลณโมเทศเรียกว่าณโมหชั้นหยุดหครั้ง ชั้นที่หนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะจึงหยุดเห็นไหมต่างกันนะถ้านะโมให้เสียงจะหยุดแค่สัมพุทธสะชั้นที่หนึ่งแต่ชั้นที่หนึ่งของนะโมห้าชั้น ค, คือเทศหยุดที่นะโมตัสสะ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 ปนมือนะครับขึ้นครูแล้วทีนี้ไหวครูปรนมือเขอให้ข้อสังเกตนก่อนที่ท่านจะว่านะครับท่านสังเกตการตั้งนโมนะที่ถูกต้องให้ช้าลงนิดหนึ่งช้ากว่าให้ศีลกว่านโมให้ศีลช้าและชัดทุกคำนี่ ข, ข้อแรกข้อที่สองระหว่างสามพุทธะกับนโมนี่มัน สะตัวนี้จะเสียงสั้นสัมพุทธสนะโมตัดสะมันจะต่อกับนะสะกันนะจะเชื่อมกันนิดหนึ่งฟังนะนะโมตัดสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัดสะเห็นได้ครับอ่ะว่านะครับหนึ่งสองสาม พักเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเริ่มใหม่1 2 3่นานะโมตัสสะพักขวะโตสัมพุทธะนะโมตัสสะพักขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักขวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาผมให้ดังๆหน่อยหนึ่งสองสามนะโมตัสสะภะคะวะโต เอรายละเอียดการออกเสียงอะไรต่างเนี่ยมีเรื่องที่ต้องขัดเกลาอยู่นะแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยหลังจากผมบรรยายจะมีภาคปฏิบัติเขาจะมาแนะนําท่านเองอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนนโมห้าชั้นพอท่านตั้งนโมห้าชั้นจบเนี่ยต่อด้วยบาลีนิกเขปบทภาสิตนะครับทันทีไม่ต้องหยุดนาน พอตั้งนโมเสร็จท่านก็เดินคาถาเอาเมื่อเช้านะครับที่ผมเทศท ร, รมังจเรสุจริตังนะตังทุจจะริตังจเรเนี่ยว่าต่อทันทีธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจาติอันนี้สําหรับเาขาเรียกว่านักเทศเก่าแล้วสําหรับท่านอาจจะเอาแค่ธรรมจารีสุขังเสติกระจบ แล้วท่านก็ต้องเชื่อมกับอิตินะธรรมจารีสุขังเสติีติอิอี อ, อหเห็นเกะอิติเป็นเสตีติออกมีลูกคอนนิดหน่อยสำหรับตัวนี้อัศมิงโลเกปรมหิจาติอิอีอ ก็คือติอีอีอีเบาๆนะไม่ต้องยาวมากนะแล้วก็อยากไปท่านบางท่านก็ธรรมจารีสุขังเซติติโอ้มันสั้นไปบางท่านก็ธรรมจารีสุขังเซติติีอโอ้ยเออมากไปอ้าวเออเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเออท่านใช้แค่นี้พอรรมจารีสุขังเสตีตีนะเอาสั้นๆ น, นะเอากลับไปตั้งนโมใหม่แล้วเดี๋ยวเดินคาถานิเคปะบทเอาตั้งนโมใหม่ครับปนมือครับหนึ่งสองสามโมตัสา ธรรมะ <c oughs> ต่อด้วยบาลีอุทเทศหัวข้อเลยนะครับนิกเขป บ, บทคือบทตั้งธรรมะจารีสุขังเสตีติอะไรเงี้ยอาจากนั้นนะครับท่านต้องอารัมพกระถาอารัมพบทอันนี้ต้องท่องนะครับ เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกระทูะ้ท่านทองทองณบัดนี้อาตมภาพจักรับประทานรับประธานตัวนี้ไม่ใช่กินนะครับหมายถึงขอโอกาสถ้าเทพในวังเรียกว่ารับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรร ม, มเทศนาถ้าเป็นเทพให้ชาวบ้านเขารับประทานคือขอโอกาสแสดงพระธรร ม, มเทศนา เมื่อเช้านั้นใช้คำว่าสุดจริตธรรมกถาการเทศต้องเริ่มช้าๆนะครับอารมพรกระถาเนี่ยอารามพระกถาเหมือนรถไฟออกจากสถานีตอนออกจากหัวลาโพงเนี่ยมันโตอขบวนมันหนักมันจะค่อยเคลื่อนช้าๆช้าๆ ๆ, ๆท่านใช้สเขาเรียกว่ า, าจังหวะช้าค่อยๆเหมือนกับรถไฟลากขบวนออกจากสถานี พอมันพ้นสถานีไปสักพักมันจะวิ่งเร็วนะครับเร็วเพราะฉะนั้นคนเทศเนี่ยใหม่ๆหม่มันจะช้าถ้าไปเปิดเทปดูเอะที่ผมเทศเมื่อเช้าเนี่ยรถไฟออกจากสถานีจะช้าชิดๆๆๆๆิดชิค่อย ๆ, ๆ, ๆไปพอพอมันพ้นสถานีมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอจะถึงสถานีไปทางจะช้าลงช้าลงแล้วก็จอดสถานีจบการเทศเริ่มต้นช้า ตรงกลางเร็วแล้วก็จบช้าฉะนั้นมันจึงเริ่มอย่างนี้ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบัตนี้อาตมาภาพไม่ใช่อัตมาภาพนะครับก็ผิดนะครับภาษาเราตัดสินกันสองอย่างนะครับนักเทศหน้าใหม่หนึ่งขั้นตอนออขั้นตอนในการเทศตั้งนโมเป็นไหมอะไรไหมเนี่ยนะนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองภาษาครับ ปาทกถาไม่ใช้คำว่าอาตมาภาพนะครับอาตมาถ้าพูดกับพระกัผมแต่ท่านมาฝึกเทศนะที่นี้ต้องใช้อาตมาภาพตลอดจะเห็นว่าผู้มาฝึกเทศถ้าเกิดมีพระฟังเย่้ยเดียวก็อาตมาภาพไม่ใช่อาตมาอาตมภาพณนะบัดนี้อาตมภาพจากักรพรรดิ์ทานแสดงพระธรรมเทศนา ในสุดจริต ธ, ธรรมกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยาศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปพอหลังจากนี้ไปท่านเริ่มเร็วขึ้นหน่อยหรือพูดธรรมดาได้ ใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับให้คนเขาตั้งตัวจะเทศนะนะช้าๆหน่อยเหมือนกับว่าบางคนยังคุยกันอยู่เอารถไฟออกแล้วค่อยๆไปวิ่งขึ้นขบวนทันไม่ใช่วิ่งปื๊ดไปเอ้าไปไหนแล้วรถไฟหายฉะนั้นค่อยๆนะเริ่มเริ่มเนี่ยนะให้คนเขาตั้งตัวก่อนทีนี้เริ่มอารลำพระคถาอย่างที่ว่าท่านต้องท่องนะครับ ตอนนี้นะครับก็อา้าวหายไปไหนละในขั้นตอนของการเทศเนี่ยนะครับได้พูดมาเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยว มาถึงการเขาเรียกว่านิเทศเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของมันพอท่านอุเทศนะอุเทศเนี่ยนะผมสรุปนะเป็นนโมห้าชั้นขั้นแรกไน้นะขั้นที่สองมีพาสิทธิบาลีนิเข ป, ปบทข้อสามอารัมพระาถาซึ่งท่านท่องต่อไปนี้นิเทศครับนิเทศก็คือ การอธิบายขยายความเริ่มอธิบายธรรมจารีสุขังเสติเนี่ยธรรมจารีสุขังเสติในหมายความเป็นไงอธิบายขยายความนิเทศเพื่อให้เกิดสีสอแจ่มแจ้งจูงใจแก้กล้าล่าเริงสันทัศนาเป็นต้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีนิเทศเนี่ยแล้วแต่ใครจะเลือกนะผมกำหนดไว้หขั้นตอนหนึ่งท่านต้องอธิบาย เช่นว่าธรรมจารีสุขังเสติแปลว่าอะไรคําว่าธรรมะผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขคําว่าธรรมะหมายถึงอะไรอถาธิบายมีกี่อย่างธรรมะมีกี่อย่างขยายจําแนกและที่ท่านเทศมาไม่ได้พูดเองมีพุทธภาษิตรองรับสอดแทรกภาษิตพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้ไว้ที่ไหนอีกมีข้อคิดมีตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไม้ไหม บางทีธรรมะมันเป็นธรรมอาทิฐานยากท่านต้องเปรียบเทียบให้เห็นแล้วก็มีนิทานนิทานมีเรื่องเล่าประกอบไหมหรือมีสารทกมีข่าวหนังสือพิมพ์มีอะไรต่างเอามาเชื่อไหมสุดท้ายมีสื่อมีอุปกรณ์เมื่อตอนเริ่มผมบอกว่าผมเทศะมีแต่คัมภีร์นะไม่มีจอนะแต่ในทางปฏิบัติผมใช้สื่อผมใช้อุปกรณ์โดยไม่ต้องขยับเลย ใช้คำพีนี่แหละถืออย่างเดียวเนี่ยแต่ผมใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ทำให้คนฟังเข้าใจง่ายแจ่มแจ้ ง, จงทำอย่างไรในหกข้อเนี่ยผมจะว่าไปแต่ละข้อนะครับพอเราบอกว่าธรรมาจารีทำมังจรีสุจริตังหนะ้าตังทุจาริตังจรีเนี่ยเราก็อารัมพระาถาเสร็จแล้วก็อธิบายการอธิบายเชื่อมความเนี่ยนะท่านจะต้อง เชื่อมความก่อนคำว่าอถา ธ, ธิบายเนี่ยนะครับขยายเรื่องอ ธ, ธิบายพอเราอ่านและพกถาเสร็จเราจะเข้าเรื่องท่านจะต้องนำเข้าสู่บทเรียนทำไมท่านจึงเทศเรื่องนี้ป่ารบก่อนไม่ใช่อยู่ๆชกเลยเนะ่เวลาเราจะสอนเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ใช่อยู่ๆท่านก็นสอนนักเรียนเลยเวลาเข้าห้องเรียนท่านจะต้องนําเข้าสู่บทเรียนว่าทําไมเราจะพูดถึงความเื่อสัตว์เราก็ปาราบก่อนนักเรียนวันนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ออกมานะแท็กซี่เอาเงินไปคืนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นแสนบาททั้งๆ ท, ท, ที่คนขับแท็กซี่จนจนทําไมเขาไม่โกงเออคนซื่อสัตว์ต้องมีธรรมะอะไรบ้างอย่างแท็กซี่คนนี้ทีนี้มันถึงจะเข้าธรรมะเรื่องสัจจะ ไม่ใช่อยู่ๆเอาสัจจะเลยมาสอนอะไรเห็นไหมการจะอธิบายเนี่ยท่านจะต้องนําเข้าสู่เตรียมใจผู้ฟังเพื่อให้เข้าเรื่องนั้นเหมือนกับอย่างนี้ครับท่านอยากจะเล่านิทานไม่ใช่อยู่ๆก็ๆๆเอานิทานมาเล่านิทานของท่านเนี่ยมันเกี่ยวกับธรรมะข้อไห น, ไหนไท่านกาลังเทศเรื่องอะไร ต้องเชื่อมเชื่อมความผมมาเทศเรื่องสุจริต ธ, ธรรมกถาในวันนี้คนมาฟังเยอะแยะผมก็ต้องปูพื้นคนฟังก่อนว่าทำไมอยู่ๆมาเทศเรื่องนี้ประสงค์อะไรในอาธิบายจึงมีการเชื่อมความก็คือนำเข้าสู่บทธรรมพระธรรมบทเทศนา จากนั้นท่านก็อธิบายความหมายที่ว่าการประพฤติทำให้สุจริตธรรมะหมายถึงอะไรแล้วก็อธิบายสั้นๆคนก็จะตามทานผมจะยกตัวอย่างเมื่อเช้าให้ฟังผมเทศเรื่องนี้ที่มหาจุฬาการเชื่อมมันก็คนละอย่างกับวันนี้ทั้งๆที่เรื่อง สุดจริต ธ, ธรรมกถาเพราะวัตถุประสงค์มันต่างกันผมยกตัวอย่างที่เทศทั่ ว, วไปนะครับอันนี้ผมแต่งให้พระเทศกันทั่วประเทศในวันนี้ใครจะพลิกแพลงให้เข้ากับ ว, วัดตัวเองก็เรื่องของเขาณนะบัดนี้อาตมาภาพจักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในสุดจริต รรมกถาว่าเดการปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัท ธ, ธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญธรรมัตสวนไมคือบุญที่ได้จากการฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องนำทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปนี่คือกันเทศกลางที่วัดทั่วประเทศได้ไปเนี่ยนะครับเทศวันนี้แต่เวลาผมมาเทศรถไปโยนผมปรับใหม่ปรับยังไงครับนี่คือที่เทศจริงเมื่อเช้าท่านลองดูว่ามันต่างกันยังไง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 ทีท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกสิบห้าพรรษา ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเข้ากับงานท่านสำนวนกลางไม่มีเรื่องนี้เพราะเราแต่งให้เทศทั้งปีแต่พอจะมาเทศที่นี่วันนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่และผมก็ต้องอธิบายเพิ่มไปอีกสำหรับเฉพาะที่นี่ บทพระธรรมเทศนากันที่จะแสดงต่อไปนี้อาตมภาพได้ประพันธ์ขึ้นมาในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทุกวัด ใช้บทพระธรรมเทศนากันนี้เป็นคำพีสาหรับเทศพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด, ดังนั้นคณะสงฆ์วัดปยุระวงสาวาทบวรวิหารจึงได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขึ้นพร้อมกับวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆนิกรยทุบหมู่เหล่าได้เข้าวัดฟังธรรมในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพระอันเป็นวันธรรมมัฏสวันะหรือวันฟังธรรมแทนที่จะเป็นเรื่องทั่วทไปโยงเข้าวัดประยูนเชื่อมแหละแล้วมันจะเข้ากับเรื่องประพฤติธรรมให้สุจริตได้ยังไงเราพูดถึงวัตถุประสงค์ ในการเทศถวายพรอใจมงคลและมะติมหาเทรสมาคมวัดประยูนยจึงมาเทศที่นี่ในวันนี้และเทศเพราะท่านทั้งหลายผู้ฟังเนี่ยต้องการมาแสดงความจงรักภักดีกับต่อพระเจ้าอยู่หัวและฟังไปแล้วมันจะเอาไปใช้ทำอะไรเราก็พูดต่อ จึงได้มาประชุมฟังธรรมพร้อมกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด, ด้วยการน้อมนาธรรมะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปที่จะเข้าเรื่องคือคาว่าพัฒนาชีวิตและสังคม เพราเรื่องมันจะเชื่อมกันหมดฟังธรรมะเพื่อไปพัฒนาชีวิตและสังคมไม่ใช่ฟังแค่ถวะถวายพระพรชัยมงคลและจะพัฒนาชีวิตและสังคมเริ่มตรงไหนเริ่มจากการพัฒนาตนเองไม่ใช่พัฒนาฟังไปพัฒนาคนอื่นพัฒนาตัวเอง พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนพัฒนาเราเองให้เป็นอะไรให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข คนดีคือคนเช่นไรมันมาถึงนิยามความหมายแหละคนดีในพุทธศาสนาคือสัพ บ, บุรุษสัพปริสธรรมอ่ะคนดีคือสัพ บ, บรุษก็นิยามสิคนดีคือคนที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกอ้างพระบาลีมาลองรับด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไงคนดีเกิดมาทำประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนฝนที่ตกลงมาทาประโยชน์แก่มหาชนฉันใดคนดีเกิดมาก็ทำประโยชน์เหมือนฝนตกทั่วฟ้าและคนดีที่ทำประโยชน์ประโยชน์อะไรขยายจาแนกประโยชน์มีกี่อย่างสามอย่าง อัตทะคือประโยชน์ขยายจำแนกอั um to to ia, ตตะประโยชน์ตนปรัตตะประโยชน์คนอื่นอุพยัตตะประโยชน์ส่วนรวมท่านต้องตีความประโยชน์ตนเข้าใจง่ายปรัตตะประโยชน์คนอื่นอุพยัตตะแปลว่าประโยชน์ทั้งสองถ้าไปแปลว่าประโยชน์ทั้งสองคนไม่เข้าใจ เราต้องขยายความประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนกับประโยชน์คนอื่นคนไทยเขาเรียกประโยชน์ส่วนรวมคือมีของเรากับของเขาเราแปลว่าประโยชน์ทั้งสองคนไม่รู้เรื่องนี่คือการตีความท่านทำให้เข้าใจง่ายให้แจ่มแจ้งบางคนเปิดดิกแปลนะครับอุปยถาประโยชน์ทั้งสองแล้วมันอะไร ไม่ต้องให้คนฟังเขาคิดมากเลยครับประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ที่รวมของตนและคนอื่นเขาเรียกประโยชน์ส่วนรวมแค่นี้มันก็ไม่ต้องก็แจ่มแจ้งแล้วขยายจำแนกอทีนี้กลับไปดูคําว่าธรรมมันเจรเสุจริตตังควรประพฤติหน้าที่ให้สุจริตประพฤติธรรมะให้สุจริต ธรรมะแปลว่าอะไรบางคนก็บอกว่าธรรมะคือคุณากรบอกเกิดแห่งความดีธรรมะคือคำทางสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือนั่นคือนี่เยอะแยะหมดแล้วจะเทศอย่างไงท่านต้องไปดูอันนี้นะว่าคําว่าธรรมังเจรสุจริตังเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมะในความหมายว่าอะไร เพราะว่าตรัสที่หนึ่งธรรมะหมายถึงอย่างหนึ่งตรัสที่หนึ่งธรรมะหมายถึงคุณธรรมตรัสที่หนึ่งหมายถึงจริยธรรมตรัสที่หนึ่งหมายถึงปรมัตธรรมตรัสที่หนึ่งหมายถึงสี่ธรรมแล้วตรงนี้หมายถึงอะไรท่านจะเห็นได้ว่าการเทศระดับสูงเนี่ยมันคิดมากออกมาแต่ละคำเนี่ย แล้วต้องมีที่มาที่ไปเพราะผมแต่งให้พระทั่วประเทศอ่านเขาแยงแ้งเราได้ถ้าเราไม่มีที่มาที่ไปผมก็ให้ท่านทั้งหลายไปดูคำว่าธรรมมังเจริสุจริตตังนี่มาจากธรรมบทแล้วมันจะมีแก้อัดด้วยในธรรมบทประโยคสามเนี่ยว่าคำว่าธรรมะตัวนี้แปลว่าอะไรเขาไม่ได้บอกไว้ชัดท่านต้องไปตีความ นี่คือการตีความพุทธภาษิตในเรื่องนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะในความหมายว่าอะไรรู้ไหมเหตุที่ตรัสก็เพราะว่าเมื่อกลับไปเยือนกรุงกับบิลพัดแสดงเวสันดรชาดกฝนโบกคลพัดตกลงมาคนศรัทธาพระพุทธเจ้าเจ้าสักยะศรัทธา พระเจ้าสุดโทธนะกลับวังโดยไม่นิมนต์พระพุทเเจ้าไปเสวยหรือฉันพัะตาหารในวังเพราะคิดในใจว่าลูกชายของเราไม่กลับมาเสวยที่วังก็จะไปไหนมันก็ต้องไปกินข้าวบ้านแหละก็สั่งให้คนเตรียมอาหารโดยไม่นิมนต์พระรออยู่ตอนเช้าที่บ้านรอพระเจ้ามาฉันพระพูทธเจ้าเมื่อไม่นิมนต์ก็ไม่ไป ไปบินทบาตแทนในหวังไอในในเมืองคนรู้จักตั้งแต่เด็กว่าเป็นเจ้าชายอยู่ห่างเข้าไม่ถึงแต่วันนี้เดินดินมาบินทบาทโอ้ยลุ้มใส่บาทกันยังกอะไรเลยคนลุ้มใส่บาทแล้วมาดูมามุงแขกมุง อึกก็ทึกคึกโครมจนเจ้าหน้าที่วังเห็นเข้าก็ไปราย ง, งานพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโทธทนะมองจากประสาทชั้นสูงลงมาจากทางหน้าต่างเห็นพระพุทธเจ้าคือพระโอรสเนี่ยเจ้าชายสิทธาบินทบาทตบอกผางเลยรีบลงมาจากประสาทไปเฝ้าพุทธเจ้ากลางตลาดขณะที่กำลังบินทบาท ถามว่าทำไมทำอย่างนี้มันฉีกหน้าพ่อนะเราเป็นกษัตริย์มีกินไม่ต้องไปขอใครมาเป็นภิกษุผู้ขอในเมืองตัวเองมันฉีกหน้าพ่อพ่อมีให้กินมาขอได้ยังไงพระพุทธเจ้า ตรัสว่าสิ่งที่อาตมากำลังทำเนี่ยเป็นการทำตามวงของพระพุทธเจ้าของอาตมาพระเจ้าสุโธธนะบอกไม่จริงท่านสากกยวงไม่เคยขอใครกินแล้วท่านจะมาบอกว่าวงของท่านขอได้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกคนละวงกันของท่านเนี่ยสากยวงศ์ของอาตมานี่พุทธวงศ์คนละวงสากยวงศ์คือกษัตริย์มีประเพณีมีหน้าที่อย่างหนึ่งพุทธวงศ์ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งต่างคนต่างทาหน้าที่ให้ดีที่สุด ใครมีหน้าที่อะไรทาหน้าที่ให้ดีที่สุดทรมังเจรเสุจริตังควรประพฤติหน้าที่คือธรรมะคือหน้าที่ให้สุดจริตกษัตริย์ในอินเดียเขามีธรรมะประจำวันนะกษัตริย์คือหน้าที่ปกครองพรามมีหน้าที่ในการสอน วันนะธรรมะพระพู้เเจ้ามีหน้าที่ในการบิณฑบาตโปรดเวนไนยสัตย์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทำหน้าที่ในการบินฑบาตถ้าไม่รู้จักหน้าที่หรือทําหน้าที่ให้มันบกพร่องเรียกว่าทุจริตนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตอย่าทําให้ทุจริต อธิบายคำว่าหน้าที่ว่าพระเจ้าสุทธโธทนมีหน้าที่คือวั น, นธรรมะประจำวั น, นกษัตริย์คือปกครองส่วนพระเจ้ามีพุทธธรรมะหน้าที่ของพระเจ้ามันคนละหน้าที่กันท่านมีหน้าที่สั่งสอนให้ธรรมทานแก่ญาติโยมญาติโ ย, ยมก็มีหน้าที่ถวายอามิสถานทำบุญตักบาตร แต่ถ้าเกิดโยมทำบุญตักบาทแล้วท่านไม่เทศพระไม่เทศพระก็บกพร่องต่อหน้าที่เทศหลอกลวงชาวบ้านว่าจะสร้างพระแก้วมรกตทำด้วยมรกตรุนล้วนมูลค่าสองพันห้าร้อยล้านบาทที่ไหนได้เอาแก้วสีเขียวมาทำแทน ราคาไม่ถึงสามสิบล้านบาทใช้ธรรมะคือหน้าที่ของผู้สอนไปรีดผลประโยชน์ที่ไม่สมควรได้มาจากผู้ฝังทุจริตต่อหน้าที่ต้องไปนอนสงบจิตสงบใจไปเทศอยู่ในมุ้งสายบัวเห็นไหม ฉะนั้นใครมีหน้าที่อะไรทำให้มันดีที่สุดขยายจำเนกทำหน้าที่ให้สุจริตหมายถึงอะไรหนึ่งไม่บกพร่องต่อหน้าที่สองไม่ละเว้นหน้าที่ท่านมีหน้าที่สอนให้ธรรมทานต้องสอนไม่ทุจริตต่อหน้าที่ซื่อตรง ไม่เอาธรรมะไปขายแลกกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายของการสอนไม่ทุจริตแล้วเราก็มาขยายจำแนกสามอย่างเนี่ยอธิบายแต่และอย่างว่าบกพร่องต่อหน้าที่คืออะไรละเว้นหน้าที่คืออะไรทุจริตต่อหน้าที่คืออะไร และเวลาอธิบายเนี่ยเราก็สอดแทรกพาษิตธ์เข้าไปไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเองมาจากพระเจ้าบ้างมาจากนักปราดในประเทศต่างประเทศท่านท่านที่จะหาได้กรหามาให้คนฟังเขาเข้าใจกันแล้วกันผมอธิบายคำว่าไม่บกพร่องต่อหน้าที่ก็คือรับผิดชอบมีหน้าที่อะไรทำให้มันดีที่สุด นี่ขยายความมีหน้าที่อะไรทําให้มันดีที่สุดถ้าท่านมีหน้าที่ในการเทศคนฟังจะมากจะน้อยเทศให้มันเต็มที่เขาติดกันเทศมากกัมเทศน้อยไม่สําคัญข้อสําคัญคือเราเทศให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่ามีคนห้าคนเทศนิดนิดห่อยหน่อยเพราะได้กันน้อย พูดแล้ววันนี้มีแต่พระธรรมดาไม่มีเศรษฐีมาฟังเหมือนเมื่อเช้าเอานิดเดียว เ, ยเทศให้มันดีพูดให้มันดีท่านพระผู้ทธเจ้าเนี่ยคนฟังจะมากจะน้อยเต็มที่หมดครั้งแรกปัญจวัคคีย์ห้ารูปเท่านั้นเองเทศอย่างดี อัญญาโกณทัญญะบรรลุธรรมดังนั้นใครก็ตามที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผน่ให้มันสุดปีกก็เหมือนกับที่ขงจื๊อบอกว่านี่อ้างองจือ๊ออะไรกันสอนแทรกพาสิทธเมื่อเช้านี่เทศแล้ว ให้ขงจื้อทำอะไรอ้างมาขงจื้อจะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื้อเลี้ยงหมาม้าจะต้องอ้วนให้ขงจื้อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มคลังอย่านึกว่าโอ้ยตอนนี้นะเราเ ป, เป็นพระผู้น้อยเขาให้มาเทศมีคนฟังนิดเดียวทีเจ้าวาดไปเทศงานนู้ เทศตรงไหนไม่สำคัญทำให้มันสุดฝีมือท่านเตรียมการอย่างดีอย่าไปดูถูกคนฟังแล้วกิตติศัพ์มันจะไปเองผมไม่เคยไปขอพูดที่นั่นที่นี่เขาไม่ต้องไปโฆษณาว่าเทศเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องผมไม่เคยพูดท่านแต่ถึงเวลาคนมันมนี้หมดเอง ไปเท ศ, ป ร, เทศประเทศนั้นประเทศนี้และก็ไม่จำเป็นต้องห่วงว่าตอนนี้คนไม่รู้จักเราถ้าท่านทำหน้าที่อย่างดีกิตติศัพท์มันจะไปเองผมไม่เคยห่วงว่าใทยจะมาเรียนไม่มาเรียนนะท่านแต่ขอให้ เราสอนเต็มที่สอนนักเทศอฝึกเต็มที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าอย่ามานั่งระบับตื่นตื่นไม่เรียนก็ไม่ให้ประกาศนียบัตรขาดก็ไม่ให้มีมาตรฐานจึงทำมาได้ยี่สิบห้าปีแล้วท่านสิ่งเหล่านี้เพราะเราทำหน้าที่ อย่างไม่บกพร่องให้มาเป็นวิทยกรก็เป็นวิทยกรให้เทศก็เทศให้พูดภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษในห้องประชุมนี่แะท่านเด็กจากนานาชาติยังอยู่เลยผมก็มาเทศให้พูดให้สอนเป็นภาษาอังกฤษจะมากกี่คนไม่สนผมจะพูดถ้าเขานิมนต์ นี่คือไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่เป็นทหารอย่าหนีทัพเป็นพระนักเทศก็ต้องรับผิดชอบและเมื่อรับนิมนต์แล้วก็ต้องไปบางคนเลือกงานท่าน รับแล้วพอมาเทียบกันดูอันนี้ได้ดีกว่าไปาอนนุนให้คนแทนผมจะไม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ตั้งแต่ต้นและส่วนมากก็ไม่ได้ท่านเพราะมันรับล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ทิ้งหรอกแต่ไม่รับอีศบบอกว่าพ่อแม่ต้อง รับผิดชอบในการสอนลูกอย่าปล่อยให้ลูกไปเป็นโจรอยู่นอกบ้านลูกเป็นโจรพ่อแม่ก็มีส่วนในการสร้างความเป็นโจรให้กับลูกนี่คือภาสิทธคนไม่ดีเขาโทษใครสิทธ์เฉาโฉดเขาโทษครูสอน เพราะฉะนั้นสิทธิ์ไม่ดีโทษครูประชาชนไม่ดีโทษภู้ถอนคือผู้ปกครองคนทั่วไปไม่ดีโทษเจ้ากูคือพระมเมธทศเราก็หาพาสิทธิ์มาลองรับว่าใครไม่ทำหน้าที่เพราะถ้าเราพูดเองมันไม่มีน้ำหนักท่าน แต่ถ้าเรามีเขาเรียกว่าถ้ารู้ไหมการทําวินิพนธ์ปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยเขาไม่ได้พูดเองนะเขาจะมีเชิงอัดไอ้ที่เขียนมาเนี่ยมาจากไหนท่านไปดูสิพุทธธรรมอะ่ะหนังสือพระพรมคุณาภรสมเด็จพุทธโคสาจารย์มีเชิงอัดหมดเลยที่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเอามาจากพระไตรไปิฎกอัตถกถาดีกาท่านไม่ได้เขียนเองนั่นคือเทศสมัยใหม่ แต่แทนที่จะบอกว่ามาจากสูตรนี้ตนันี้ท่านพูดไว้ที่เชิองอัดว่าเอามาจากเรื่องอะไรที่จริงก็คือที่เทศนี่แหละแต่เป็นเทศสมัยใหม่ไปดูซะในคำภีร์ที่ผมแต่งมาจากพระไตรปิฎกอัตกะถาดีกาเพียงแต่มันไม่ใช่หนังสือวิชาการจึงไม่ทำเชิองอัดแต่ถ้าทำเชิองอัดแล้วมันจะมีเยอะแยะหมด ไอ้ที่พูดเทศมั่วๆไปอะ่ะกับที่เทศเป็นเรื่องเป็นราวมันต่างกันมาวัดประยูนยไม่ต้องการให้ท่านเทศมั่วๆท่านไปฝึกที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องมาที่นี่สอดแทรกพาสิทธ์ไม่ทุจริตต่อหน้าที่คือไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองหรือคนอื่นในทางที่ผิดกฎหมายและผิดทานองครองธรรมผมจะไม่อธิบายแล้วนะครับนี่คื อ, อ, อขยายความแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าตรัสว่าไงนะตังทุจริตังจเรบุคคลไม่ควรประพฤติ ธ, ธรรมะคือท่านหน้าที่นั้นให้ทุจริตคือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบและเราก็สอดแทรกภาษิต อยะสาวะมะลังสมุทรทิตังเป็นต้นแปลว่าสนิมเกิดแต่เหล็กย่อมกัดกินเหล็กฉันใดกรรมที่ตนทำไว้ย่อมนำเขาผู้ไร้ปัญญาไปสู่ทุกขติฉะ น, นั้นคือเปรียบเทียบท่านนี่อุปมาละสนิมมันกัดเหล็กบาปกรรมที่ทำเนี่ยทุจริตมันทำลายคนที่ทำนี่คืออุปมาก็อ้างทั้ง ภาสิตคือโลคกระนิดโครงโลกกระนิดและอุปมาด้วยว่าถ้าสังคมไทยมันทุจริตเนี่ยนะคอร์รัปชันนะนะไอการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันจะทำลายสังคมจากข้างในเหมือนสนิมเหล็กกัดเนื้อเหล็กจนหมดแล้วก็อุปมานี่คื อ, อประมาณแล้วก็อ้างพุทธพจน์เมื่อกี้นะจากว่าเหล็กเกิดข้างในแล้วเป็นไงแล้วก็อ้างโลคกระนิดครับ สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนข่าบาปเกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่สผู้บาปเองท่านลองนึกนะการที่จะเอาอุปมาเนี่ยมันกี่ชั้นนะอุปมาเหล็กกับสนิมกับทุจริตกับประเทศ นี่อุปมาเปรียบเทียบกันแล้วยังได้สอดแทรกพาษิศอีกเอามาจากพระไตรปิฎกอายสาวะมลังสมุทิต่างนี่ก็ยากอีกขั้นหนึ่งแล้วยังเอาจากโลกกณนนิดอีกมันกี่ชั้นท่านท่านอย่าไปนึกว่าที่ผมพูดเนี่ยท่านทำไม่ได้ผมกำลังบอกว่าเทศที่มันดีเนี่ยมันคือเทศอย่างนี้ท่านจะได้ฟังเป็นและเทศเป็นส่วนเทศไม่ดีมันก็อย่างนี้ ท่านก็จะได้รู้แต่ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ท่านจะเทศดีเข้าใจนะที่ผมพูดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างกว่าจะออกมาเป็นบทเทศนาท่านเคยรู้ไหมว่าเวลาเขาทำหนังโฆษณาตอนสองทุ่มราคา เ, าเวลาสองทุ่มเนี่ยพายไทยเนี่ยไทยทำเป็นวันแต่มาได้ออกหนึ่งนาที เสียเป็นแสนนะ่ะหนึ่งนาทีเนี่ยหนังโฆษณาเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายท ร, รเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นมันรวบรวมกองถ่ายคนทำกากแสดงตัดไม่รู้กี่ฟิลม์มการที่เราจะเทศได้ดีหนึ่งสองสามหน้าเนี่ยมันคือการทำการบ้านนานเท่าไหร่มันไม่มีพรสวรรค์มันเป็นพรสแสวง เพราะฉะนั้นท่านมาเรียนก็จะต้องฝันฝ่าต้องฝึกฝนและก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงเราจึงบ่อยแบ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยให้ท่านไปฝึกเช่นการตีความพุทธภาษิตแม้แต่ภาษิตที่โตประเทศนะนะผมก็เอามาอ้างท่านการกินการนอนการกลัวภยัยและการสืบพันธุ์ สี่อย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานธรรมะเท่านั้นที่ทําให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเมื่อปราศจากธรรมะมนุษย์ก็เสมอกับสัตว์เดรัจฉานส่วนมากคนจะอ้างฮิโตประเทศไม่เคยอ้างพุทธพจน์ว่ามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยต่างกันอย่างไรต่างกันเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีธรรมะมนุษย์มีธรรมะมนุษย์จึงมีใจสูงดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน แต่ในการเทศน์นี้ผมบอกว่าธรรมะที่ทำให้มนุษย์ต่างกับสัตว์เดรฉานนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าธรรมะฝ่ายขาวสองอย่างฮิรีโอตปะและผมก็บอกว่าถ้าไม่มีฮิรีโอตปะคุ้มครองโลกเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าตรัสนะก็ไม่พึงเหลือคำว่าแม่นา้าป้าภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่ ชาวโลกจักถึงการผสมคำว่าผสมเนี่ยเป็นคำสุภาพที่จริงคือการสืบพันธุ์แต่เวลาเราเทศเนี่ยเราก็ต้องใช้คำสุภาพเพราะคนประนมมือฟังเราก็จะถึงการผสมปะปนกันไปเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนั ก, ส, นกสุนักจิงจอกฉะนั้นพิกสู่ทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมะฝ่ายขาวสองประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ ดังนั้นจึงยังเหลือคําว่าแม่หนาป้าภรรยาของอาจารย์ลึกว่าภรรยาของครูปรากฏอยู่ท่านจะต้องตีความบาลีนี้หมายความว่าไงคือที่ยังมีคําว่าแม่มีนา้ามีป้าเนี่ยเพราะมันมีฮิริโอตปะสุนักมันไม่มีคําว่าแม่นะท่านมันนึกจะทําอะไรกับแม่มันก็ทํามันนึกจะทําอะไรกับป้ามันก็ทํากับภรรยาของครูมันก็ทํา แต่มนุษย์ไม่ได้สับสอนอย่างนั้นเพราะมีฮิริโอตปะนี่พระเจ้าตรัสไว้ท่านก็ไปดูว่ามาจากสูตรไหนมีเรื่องอย่างนี้อย่างไรเราไม่ต้องไปอ้างฮิโตประเทศอย่างเดียวสุดท้ายเมื่อรวมกันเสร็จผมก็มีนิทานสาทกนะครับนิทานสาทกนี้เอามาจากธนัญชาีิสูตรเล่าเรื่องธนัญชาี้พรามว่า ทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่สมัยพระเจ้ายัางทรงพระชนเชี่ยบอยู่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่โดยธนัญชานิพรามเนี่ยโกงโกงกินทุจริตภาษาลีบุตรทราบเข้าก็เรียกมาถามว่าทจุจริตจริงไหมอันนี้คือสาทกจากพระไตรปิฎกมาธนัญชาญิสูตรพรามก็ไม่โกหกภาษาลีบุตรนะบอกว่าจริงภาษาลีบุตรก็ถามว่า ทำไมพรามก็บอกว่าก็แต่ก่อนผมไม่ทุจริตนะครับไม่โกงบ้านโกงเมืองเพราะได้ภรรยาดีเป็นภรรยาสำ ม, มาทิทิมักน้อยกลัวบาปแต่ตอนหลังภรรยาคนนั้นตายได้ภรรยาใหม่นะครับมันโอ้ยมันบีบโน่นก็จะเอาเพชรก็จะเอารถก็จะเอาบ้านก็จะเอาผมเลยต้องโกงไปให้มันครับ ไม่กลัวบาปกลัวกรรมผมโกงเพื่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงทาสกรรมกรพระสารีบุตรก็บอกว่าฝังไม่ขึ้นนะถ้ายมบาลรู้ก็ตกนรกอย่างเดียวเลิกซะพรามณ์โกงสองวิธีวิธีที่หนึ่งอาศัยพระราชาปล้นประชาชนคือการช่อราด วิธีที่สองอาศัยประชาชนปล้นพระราชาคือบังหลวงตีความว่าช่อราดคือโกงประชาชนโดยอาศัยกฎหมายบ้านเมืองไปรีดลาสฎดเก็บภาษีส่วนอาศัยประชาชนปล้นพระราชาก็คืออ้างว่าประชาชนเดือดร้อนต้องเบิกเงินไปช่วยไปสร้างถนนแต่ปรากฏว่าคนสร้างกินตัเองถนนพัง นี่คือบังหลวงแต่อ้างประชาชนเป็นคําที่มีอยู่ในพระใจไปดกว่าช่อราตคืออาศัยพระราชาปล้นประชาชนบังหลวงคืออาศัยราชาช ป, ประชาชนปล้นพระราชานี้คือการตีความของผมเองไม่มีใครโยงว่าอาศัยพระราชาปล้นพัประชาชนคือช่อราตผมตีความอาศัยประชาชนปล้นพระราชาคือบังหลวง ผมตีความแล้วก็อธิบายก็มีเรื่องอื่นนะครับเรื่องนิทานคนเลี้ยงเสือต้นฉบับเนดะินท่านไปอ่านตัาเองนะต้นฉบับคือโครงโลกกนิตสี่แถวแต่เรื่องที่เล่าในต้นฉบับนั้นนี่นะประมาณหน้าหนึ่งสองหน้าเนี่ยผมแต่งขึ้นเองจินตนาการท่าน ตั้งแต่ผู้ตรวจคนที่หนึ่งที่สองอะไรต่างเนี่ยโรกริตไม่มีหรอกท่านนี่คือจินตนาการในการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาหนึ่งก็คือเทคนิคการเล่าเรื่องนิทานประกอบแล้วท่านก็ไปดูว่าทำไมสี่แถวเนี่ยมันจึงเอามาเทศได้น่าสนใจผมเล่าอย่างไรตั้งแต่คนซื้อเนื้อมาเลี้ยงเสือคนแรกเนี่ยเบียดบางไปหนึ่งสลึง คนที่สองสามสี่จากโครงโลกนิตสี่บรรทัดเล่าอย่างไรให้น่าสนใจนะครับเขาเรียกเหมือนอย่างนี้ครับท่านมาเรียนเทศผมก็จะบอกว่าเรียนแล้วต้องขึ้นธรรมะด้วยนะถ้าไม่ขึ้นธรรมะฝึกเอาแต่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวมันจะเหมือนกับ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินอาจอาจมาแมวถามพี่จิ้งจอกทำไมจุยเหลือเกินจิ้งจอกก็บอกเพิ่งจบป ร, ริญญามาหมาดๆท็อปได้เหรียญทองจบมาจากไหนล่ะพี่จบมาจากสถานสถาบันป้องกันตนเองของสุนัขจิ้งจอกโอ้ไม่เคยได้ยินเลยในสถาบันนี้ รุ่นแรกจบรุ่นแรกยังไม่ดังแล้วเขาสอนอะไรล่ะไอ้งโง่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าป้องกันตนเองที่นี่เขาสอนวิธีป้องกันตนเองร0อยวิธีวิธีที่หนึ่งถ้าศัตรูจู่โจมให้สุนัขจิ้งจอกแกล้งตายนอนตาขาวหางไม่กระดิกเคยเห็นไ้ยจับยกแล้วมันตัวแข็งเลยเนี่ย ไอ้พวกนี้จบปริญญามาจากสถาบันนี้วิธีที่สองขึ้นต้นไม้สุนัขอื่นขึ้นไม่ได้แต่ถ้าจบที่นี่ไปได้วิธีที่สามลงหลุมวิธีที่ี่ดำน้ำวิธีที่ห้าว่ายน้ำโอ้ยแมวฟังแล้วทึ่งเลยพี่ท่องเร็วปลุดเลยนะถามหน่อยไอ้ที่ท่องนี่ทำได้สักข้อไหมเฮ้ยทำได้สิที่นี่เขาฝึกเออฝึกเข้มเออขึ้นธรรมะด้วยเอย มีวิธีด้วยสอนอย่างดีทาได้โหพี่เลื่อมใสนะแมวว่าสอนแมวสักสองสามวิธีได้ไหมแมวจะได้เอาไว้ใช้ป้องกันตนเองเวลาสุนัขไล่กัดจิ้งจอกบอกไม่เคยสอนว่ะเพิ่งจบยังไม่เคยสอนนะพี่สอนแมวเป็นปฐมมาสาวกก็แล้วกันเออสอนแมวเป็นประทับมาเป็นปฐมมสาวกสิ่งรุ่นแรกนะ สุนัขจิงจอกใจอ่อนได้ได้ได้ไดอะก็เลยเปิดหลักสูตรติวเข้มนะ intensive course เติวเข้มใต้ต้นไม้ริมทางเดินจริงจอกไม่เคยสอนมาก่อนใช่ไหมก็หลับตาพูดท่องใหญ่เลยทฤษฎีที่หนึ่งสองสามเออกลัวลืมไหวน้ำดำน้ำอะไรท่องใหญ่ปรุดเลยนะแมวก็ฟังตาแป๊วตามภาษาแมวจดบ้างเล็กน้อย ขณะที่กำลังเลคเชอร์กันอยู่นั่นน่ะนายพลานเดินมาข้างหลังสุนัขมันเป็นทางโคง้งนายพลานเดินพ้นโค้งมาเห็นจิ้งจอกกำลังจุย้ยเป็นอาจารย์ปรมาจารย์เลคเชอร์อยู่นะหมนันไส้ยิงซะหน่อยไอ้หมอนี่ เ, ยเลยขึ้นธนูเตรียมยิงท่านยิงสุนัขจิ้งจอกนายพลานขึ้นธนูจากข้างหลัง แมวมันลืมตาฟังเนี่ยมันเห็นในพลานกำลังจะยิงมาตกใจนะตกใจพรวดเดียวแมวมันขึ้นไปอยู่บนคบไม้เนี่ยลบไปอยู่น่นจิ้งจอกถามแมวเข้าใจไหมแมวเงียบลืมตามาเอาแมวหายลูกศิษย์หายไปไหนแล้วเหมือนพระบางองค์หลับตาเทศเออแมวหาย มองหาลูกศิษย์หันไปข้างหลังนายพลานกำลังจะยิงมาที่ตัวเองจิงจอกเลยคิดใช้ทฤษฎีไหนดีวะให้แกล้งตายมันจะไม่ทันนะมันจะตายซะก่อนนะให้ขึ้นต้นไม้เดี๋ยวก็ชนแมวตกลงมาตายทั้งคู่ลงหลุมยังไม่มีหลุมดำน้ำก็ยังไม่มีน้ำทวนใหญ่เลยท่าน ลูกทนูมาแล้วลืมหลบเพราะยังไม่ถึงทฤษฎีหลบเสียปักตัดขั้วหัวใจตายขาที่แมวมันสุ่มลุ้นอาจารย์อยู่นะฮะขนหัวลุกเลยแมวตั้งชันเลยนะแมวหัวพองเลยนะแล้วแมวมันก็พึมพำเบาๆนะเฮย้ยว่าเสียวโชคดีนะที่เรียนไม่จบหลักสูตร ไม่งั้นตายเสด็จเหมือนไอ้หมอดั่นเนี่ยเดยาเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับเรียนจบแล้วตกธรรมชาดิมรณภาพเขาจะหาวอสประยูนยสอนอีท่าไหนเออต้องโทษคนเรียนนะครับอย่ามาโทษคนสอนเออเพราะยี่สิบห้าปียังไม่มีใครมรณภาพเพราะตกธรมรมชาดเลยครับนี่คือตัวอย่างท่านรู้ไหมผมเอามาจากไหน เรื่องที่เล่าเนี่ยต้นฉบับมาจากสโสกภาษาอังกฤษตอนเรียนกับอาจารย์จำลองสารพัดนึกมีสี่บรรทัดท่านต้นฉบับสี่บรรทัดแปลมาอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแกะสันสกฤตแต่ผมเอามาเล่าให้แจ่มแจ้งจงใจแก้วกล้าล่าเริงท่านถ้าใครไปเล่าเรื่องนี้แสดงว่าเอาไปจากผมท่าน พอผมเพิ่มมาจัดสารสกฤตอ่ะพวกท่านอ่านออกบ้างหรือเปล่าล่ะไม่ออกฉะนั้นจินตนาการในการเล่าเรื่องมีศิลปะในการเล่าเรื่องเขาก็จะสอนท่านสาธกสุดท้ายท่านยกสื่ออุปกรณ์ผมบอกแล้วว่าการเทศถือคัมภีร์เนี่ย ท่านอย่าไปลอกแรกท่านต้องสำรวมเขาจะศรัทธามองได้แต่เคยเห็นไหมณนะบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมมะเทศนา e y contact เพื่อประคับประคองจะร้องศรัทธาระดับปัญญาบารมีไม่มีท่านต้องสำรวมมองตาอยู่ที่ไหนตาอยู่ที่คัมภีร์เขาถือว่าท่านอ่านนะท่านจะอ่านไม่อ่านต้องทาเหมือนอ่าน เพราะว่าในคัมภีร์นั้นคือพระไตรปิฎกสมัยก่อนพระไตรปิฎกจารึกในใบาลานท่านถือใบาลานนี่คือท่านมาอ่านอ่านแล้วก็อธิบายจากใบาลานเนี่ยผมเคยไปเห็นบาทหลวงเขาเทศในโบถสถ์สางตครุสเลยนะเขาเอาใบเบิ้ลวางไว้แล้วเขาก็ยืนบนสแตนเขาก็อ่านใบเบิ้ลทีละแถวละแถวสองแถวแล้วเขาก็อธิบายไปพระสมัยก่อนก็แบบนั้นเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยที่จารึกอยู่บนในใบาลานมาถือไว้ แล้วก็อ่านเป็นภาษาบาลีเหมือนเราแปลแปลพระชนะแล้วก็อธิบายไปทีละคำละคาคนก็ถือว่ากำลังอธิบายพระตไตรปิฎกตาของเราจึงจะต้องมองคำพีเป็นหลักอย่างนี้แต่ชำเลืองดูบ้างว่าหลับไปกี่คนแล้วไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาหลับตาเทศไปเรื่อยนะนะบัดนี้อตาตมาภาพจ ะ, สะแสดงพระธรรมเทศนาะ ลืมตามาอีกทีหนึ่งหายไปครึ่งสลาหลับตาต่อเอาให้หมดสลาให้ได้เทศต่อไปลืมตามาเหลืออยู่คนเดียวเอาให้หมดหได้ไหมหลับตาต่อไปยังอยู่เนี่ยวางคมภีรโยมตั้งแต่เทพมาไม่เคยเหลือเลยนะนี่คนแรกนะเยี่ยมจริงๆโยมทําไมสนใจธรรมะเหลือเกิน ลุงก็บอกว่าสนใจอะไรกันผมรอปิดประตูสละาอยู่นี่แหละเทศอยู่ไดเออ้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสำรวมดูใช่ไหมที่คำพีแล้วก็แต่ก็นั้นก็ตามท่านสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ได้โดยที่ท่านไปถึงก่อนเนี่ยนะดูว่าในที่ประชุมเนี่ยเขามีอะไร แล้วเวลาเทศเนี่ยอ้างถึงสิ่งที่นั้นๆให้คนที่คนเขาเห็นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างประกอบการเทศคำว่าสื่อคืออะไรพ่อสื่อแม่สื่อหมายถึงผู้ที่ติดต่อถึงกันหรือชักนำให้รู้จักสื่ออีกอย่างหนึ่งเครื่องช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างหลวงพ่อนิกายเซนเน่ญี่ปุ่นเน่ยเทศไม่เป็นหรอกท่านเจอลูกศิษย์ นี่กายยกนิ้วเจอหน้ากันก็พออาจารย์ยกอย่างนี้ลูกศิษย์ทั้งวัดก็บรรลุท่านบรรู้ยังครับอีกทีอย่าไปยกนิ้วกลางนะเขาด่านะท <c oughs> ิ้ดชี้นะไอ้ฝรั่งเนี่ยเวลามันบีบแตรใสม่มันยกนิ้วกลางเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาดา่าบุพกาลีท่านต้องยกนิ้วนี้ หมายถึงอะไรคนที่บรรลุอาจารย์ที่ยกนิ้วเนี่ยคนบรรลุหมายถึงสติท่านที่นี่เดี๋ยวนี้ Here a n น now อย่าใจลอยตรงนี้มองให้เห็นฟังให้ได้ยินไม่ได้พูดสักคำสาตรินี่คือสื่อท่านต่อไปท่านไม่ต้องสอนมากเข้าห้องไปเลย รับกันเทศสำนักวัดประยุน์าสื่อนิ้วคือนิ้วแต่เป็นสื่อให้เข้าใจเรื่องสติมันโยงไปเรื่องสตินิ้วเป็นสื่อให้เข้าใจเรื่องสติ เคยได้ยินภาษิทธ์เซ็นไหมชี้นิ้วไปที่พระจันทร์พุทธศาสนาญี่ปุ่นเนะเอานิ้วชี้ให้ดูพระจันทร์แต่ท่านไม่ดูพระจันทร์มาดูแต่นิ้วมันจะได้เรื่องอะไรพระจันทร์คือธรรมะนิ้วคือสื่อคือภาษา ติดกันแต่เรื่องภาษาตีความก็อยู่นั่นแหละนิพพานคืออะไรทำไมไม่ไปนิพพานไปพระจันทร์แท้หายตัวไปพระจันทร์เน่นิพพานมัวมาเถียงกันว่านิพพานคืออะไรคือมาติดที่นิ้วทำไมไม่ดูพระจันทร์ฉะนั้นนินกายเซ็นนิกายหนึ่งจึงเป็นนิกายที่ สัตสรู้ฉับพลันนั่งสมาธิอย่างเดียวนี่ในการเทศเนี่ยสื่อคือภาษาต้องทำให้คนมองไปที่พระจันทร์ให้ได้อย่ามาติดอยู่ที่นิ้วเล่านิทานเพื่อสอนอะไรอย่าให้คนตลกกับนิทานจนไม่รู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไร ให้รู้ว่าอะไรเนี่ยคือพระจันทร์นิทานคือนิ้วเด็กไม่รู้เรื่องเลยได้แต่นิทานกลับบ้านแต่ว่าสรุปว่าอะไรไม่รู้วันนี้ที่อยากจะสื่อให้รู้คืออะไรกําลังจะสื่อให้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องเข้าใจยากมันติดอยู่ที่นิ้วมันไม่ถึงพระจันทร์ ท่านจะต้องหาสื่อที่โยงไปถึงพระจันทร์ให้ได้คำมพีร์ก็ทำไม่ได้ท่านจะเทศไปใช้คำมพีร์ชี้นู่นชี้นี่ก็ไม่ได้ต้องสํารวมแต่ในการสํารวมเนี่ยอธิบายได้อธิบายอย่างไรครับแม้แต่พระพุทธเจ้ายัางใช้สื่อเลยครับผมชอบภาษิทิ์ของโกลเลงนิยายกำลังภายในอ่นะ เขาบอกว่ากระยอดฝีมือไปไหนไม่ต้องพกกระบี่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้กระบี่ไม่เป็นเขามีกระบี่คือดาบแหลมๆนี่นะเขามีกระบี่เอาแล้วไหนละกระบี่ของคุณอะกระบี่อยู่ที่ใจไม่มีอะไรที่ใช้แทนกระบี่ไม่ได้เคยดูหนังกำลังภายในไหม ตะเกียบเนี่ยมันแทงคอหอยตายกลายเป็นดาบได้ท่านคนเอากระบี่มาหักกิ่งไม้แผลมปลานไปนะแข็งยิ่งกว่าดาบอีกอะไรมันก็ใช้เป็นกระบี่เป็นอาวุธได้หมดในการสอนธรรมะไม่มีไม่ต้องหิ้วปุปกรณ์ไปนะเมื่อสูงสุดกับสู่สามัญเหมือนกับไม่มีสื่อแต่ที่จริง ทุกอย่างเป็นสื่อในการสอนธรรมะได้หมดและท่านไม่ต้องไปหิ้วไปไหนเลยอยู่บนธรร ม, มาฏเนี่ยใช้สื่อได้หมดเช่นมาเทศน่ย ม, มาเทศงานไหนครับงานศพงานศพนี่เขาเตรียมสื่อไว้แล้วท่านยอนอยู่ในโรงญาติโยมทั้งหลายวันนี้ เรามาส่งหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายท่านไม่เทศสอนเราแล้วล่วงหน้าเราไปนอนอยู่ในโรงแล้วโยมก็มองเห่นที่นี่นะโรงมันก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละหลวงพ่อก็ไปนอนอยู่น น, นั้นนะแม้ท่านไม่เปิดปากพูดแต่ท่านกำลังเทศนะโยมอย่าคุยกันอย่าเอาต่กินข้าวต้ม ฟังหลวงพ่อหน่อยไม่ใช่ให้หวยนะโยมหลวงพ่อท่านสอนว่าร่างที่นอนในโลงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาท่านก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่ท่านนอนอยู่ไซในโลงนั้นไม่ช้าพลันฉันก็เป็น เช่นท่านเอยอย่าประมาทชีวิตทุกคนไปสู่จุดดับเหมือนกันวันนี้ถึงคิวหลวงพ่อท่านบอกว่าจะไปรอรับน้องใหม่คือพวกเราในปรโลกคนมันก็เริ่มสนใจเราก็เข้าสู่ธรรมะชีวิตไม่เที่ยงอย่างไรเห็นกันอยู่หลัด แล้วมันก็จะต้องแตกดับดับไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนจะดับฝากอะไรไว้ให้โลกนี้บ้างก่อนขึ้นเทศพระรอให้ทายกจุดเทียนส่องธรรมผมพูดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่จุดเทียนส่องธรรมไม่ขึ้นธรรมะเทียนส่องธรรมเมื่อจุดแล้ว พระจึงได้ขึ้นเทศโยมได้ฟังธรรมเทียนเล่มนี้ที่จุดอยู่เบื้องหน้ามีค่าอย่างยิ่งเพราะจุดแล้วโยมได้ฟังเทศฟังธรรมเทียนบางเล่มดับไปอย่างไร้คุณค่าไม่มีประโยชน์เทียมเทียนบางเล่มเผาวัดเผาว่าแต่เทียนเล่มนี้ให้โยมได้ฟังธรรม ไม่ว่าเทียนนั้นจะจุดที่ไหนอย่างไรมันก็ดับเพราะไส้มันหมดแต่ก่อนหมดเหลือประโยชน์อะไรฝากไว้ให้โลกนี้บังเล่าเปลวเทียนละหลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลืออะไรทิ้งไว้แทนนี่งานศพ เทียนเป็นประโยชน์งานทอดกระถินทอดผ้าป่าตั้งกันเทศไว้เราก็ดูก่อนมีกี่ใบเพราะไงก็ไม่ใช่ของเราหรอกท่านเพราะวันนี้เทศและดมทุนสร้างศาลาการปรเรียนของวัดโยม ศาลาที่ท่านเจ้าวาดท่านสร้างเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานของโยมนะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมโยมก็ได้มาปฏิบัติลูกหลานก็มาเรียนนั่ธรรมะเพราะฉะนั้นช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยบริจาคติดกันเทศไม่ได้เข้ากระเป๋าอาตมาอาตมาภาพนะท่านเจ้าวาดจะไปสร้างศาลา แต่รู้สึกว่ามีแบงค์อะไรมากโยมอาตามาภาพได้ยินแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบมันคุยกันแบงค์พันมันถามแบงค์ยี่สิบว่าไปเที่ยวไหนมาบ้างเมื่อหยุดเข้าพรรษาแบงค์พันก็บอกว่า ได้ขึ้นเครื่องบินได้เข้าห้างได้ช้อปปิง้งได้ไปต่างประเทศถึงปอยเป็ดเข้าบ่นแล้วแบงค์ยี่สิบไปไหนมาบ้างแบงค์ยี่สิบบอกอิจฉาพี่แบงค์พันเหลือเกินได้เที่ยวไปทั่วผมไม่ได้ไปไหนเลยเข้าแต่วัดประจำเอาไปใส่ซองกระถิ่นซองผ้าป่าอยู่นี่หลยอยากไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปโยม ให้แบงค์ยี่สิบไปเที่ยวที่อื่นเถอะเอาแบงค์พันมาเข้าวัดบ้างคนก็จะดูอ้จริงนะมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวนั้นมีแต่แบงค์ยี่สบเดี๋ยวเขาก็จะทยอยมาติดแหละเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันมาเข้าวัดบ้างซื้ออะไรท่านอุปกรณ์ที่อยู่เบื้องหน้าสื่อไปถึงอะไร เราก็เอามาติดต่อเชื่อมโยงดังนั้นจึงสรุปว่าในการสอนธรรมะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ใช้นะครับออเล่าซะหน่อยใครที่ศึกษาประวัตินางรูปนันทาเทรีก็จะรู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิง สาวสวยที่มาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็เพราะว่าฟังเพลงฟังนักกวีชื่นชมวัดพระเชตวันว่างดงามเหลือเกินอยากจะไปชมวัดไปอยู่ในวัดเลยไปบวชบวชตามเพื่อนพอบวชแล้วไปฟังเทศไม่อยากฟังเทศพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยชอบว่าชีวิตร่างกายอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงอย่างงู้นอย่างงี้ในขณะที่รูปนันธาชอบความงามก็เลยไม่ไปฟังเทศแต่ใครไปฟังก็ตามภิกษุณีที่ไปฟังเนี่ยชมและเกิดว่าพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้นอย่างงี้ ด, งงดีอย่างงี้อย่างงี้มันดียังไงทนไม่ได้ก็ แอบไปฟังนั่งอยู่ข้างท้ายพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าคงไม่เห็นและคงไม่ด่าเราหรอกไม่เทศด่าความงามหรอกแอบไปไม่ให้รู้แต่พอเข้าไปห้องประชุมท้ายน่ะนะเห็นพระพุทธเจ้ากำลังนั่งเทศอยู่เปลี่ยนความคิดเลยนะพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่เนี่ยมีสาวสวยมากมาถวายงานพัด พระพุทธเจ้าอยู่สาวงามสิบห้ายกๆยกสิบหกย่อนหย่อนแต่งชุดประจำชาติสวยมากๆนึกในใจใครว่าพระุทธเจ้าไม่ชอบสวยๆงามๆไม่จริงขนาดเทศยังมีหางเครื่องเลยนะสวยจริงๆนะผู้หญิงวันนี้ผิวสวยตาสวยปากสวยชมความงามไปไม่ได้ฟังเทศเลยดูแต่สาวสวย นี่อย่างที่เห็นนี่ยในภาพเนี่ยถวายงานพัดอย่างนี้เห็นไมไม่ได้ไม่ได้โม้พระเจ้ามีหางเครื่องเนี่ยถวายงานพัดอย่าแต่ดูไปดูมาผู้หญิงที่ถวายงานพัด ช, ชักแก่ขึ้นอายุมากขึ้นยี่สิบที่จริงเนี่ยเป็นภาพเนรมิตคนอื่นมองไม่เห็นแต่รูปนันทาเห็นพระเจ้าเนรมิตให้เห็นอยู่คนเดียว ใช้โทรจิตเห็นคนเดียวพอรู้ว่ารู้ปัญธากำลังอินกับสาวสวยพรทธเจ้า ก, ก็กดรีโมทฟอร์เวิร์ดให้เร็วขึ้นกลายเป็นสาวอายุยี่สิบพอยี่สิบยี่สิบยิ่งสวยเต็มสาวเลยโอ้โหสวยกว่าเดิมแกก็ดูเพลินอีกนะกลายเป็นสามสิบ สามสิบยังเจ๋วอะไรกันยังไม่ออกสักทีเนะี่ยยังไม่ถึงกรรมาฐานเล่งใหญ่เลยสี่สิบห้าสิบพอแปดสิบเท่านั้นนะลม้ลม 90, ลงเก้าสิบล้มตายอยู่ตรงหน้าพรธเจ้าทำให้เห็นเลยแก่แล้วตายหนะ้าเกลียดยังไงอู้รูปนัญญาบอกเหมือนเราเลยในชีวิตอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องตายอย่างนี้เราไม่มันหน้าเบื่อนะชีวิตพอหน้าเบื่อพูดพเจ้าปิดโทรศัพท์ไอ้โทรทัศน์ทางจิต สอนเลยรูปนันทาผู้หญิงคนนั้นเป็นฉันใดเธอก็เป็นฉันนั้นร่างกายนั้นเป็นของเปลยเน่ามีทวานรทั้ง9้าของเปลยเน่าไหลเข้าไหลออกสอนเลยปล่อยวางเห็นตาได้ดวงตาเห็นธรรมพระผู้เเจ้าใช้สื่อด้วยจิตแต่เราสมัยนี้มีโทรทัศน์มีวิดีโอไม่ต้องลำบากเบื้องพระพุทธเจ้าเราก็ได้เลย รู้ปัญธาเกิดมาเธอก็เป็นเด็กแบบเหมาะนะโตขึ้นเรียนอนุบาลกดไปเรื่อยจบมหาวิทยาลัยมีได้ปริญญามีงานทำได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่กันมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็เข้าวัดประยูนชีวิตก็เป็นเช่นนั้นรูปนันธาเอ๋ยสื่อหรือเปล่าสื่อพุทธเจ้าใช้ไหมใช้แล้วเราไม่มีสิทธิ์ใช้หรือท่านเนี่ยฉะนั้น ยกสื่ออุปกรณ์ประกอบเอาที่มีอยู่แล้วจบครับปฏิิเทศจบให้ประทับใจให้พรเทศนาประโยสานีในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ให้พรไปจบให้ประทับใจขอให้เจริญด้วยอายุวันนะอะไรก็ตามแต่เมื่อเช้าผมจบอย่างนี้ครับเฉพาะงานนี้นี่ถวายพระเจ้าอยู่หัว พอเทศมาเรื่อยๆนะครับแจมแจ้งจงใจแกวกลาลาเริงอัตถาธีบายขยายจำแนกสอดแทรกพาสิทข้อคิดดูมาอ่อ่ข้อนิอ่นิฐานสาทกยกสื่อประกรณครบแล้วนะจบได้แล้วฝนหยุดแล้วเทศนาปรโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้เริ่มช้าแล้วนะครับรถไฟเข้าสถานีแล้ว ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งกลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศีรัตนตรายและอนุภาพแห่งบุญกุศลส่วนธรรมมัสสวนัยสวรม่น้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยผลิตสัมฤทธิผลเป็นพระพรชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยว瓦รางกูลผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงพร ะ, กะเกษมสำราญเจริญพระราชสิริสวัสดพิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงสถิตในมหาสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติทิฏการ รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุจริต ธ, ธรรมกะถาพอสมควรแก่เวลาขอสมุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้